อาจารย์ครับก า, การอำราชการครับผมเจริญบอคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอ า, อาจารย์วันนี้นักภาพชัดเสียงชัดมากเลยครับตัวอย่างเป็นปอยดีครับผมก็ชื่วคราวยังไม่ต้องมีอะไรทุก อ, อย่างเกิดขึ้นมาครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมจะขอากราบเรียนถามว่าอาจารย์เรื่องเรื่องเกี่ยวกับความหมายของชีวิตบ้างครับก็อยาก ผมอยากจะให้พระอาจารย์แสดงถึงว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยคืออะไรนะครับสองสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือชีวิตคืออะไรแล้วก็ข้อที่สองที่อยากเรียนถามอาจารย์คือชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไระครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับผมชีวิตก็คือการบําบัดทุกบำมุุงสุขนั่นทุกชีวิตนี้ที่เกิดมา ก, ก็ต้องคอยบําบัดความทุกข์แล้วคอยบำมุ่งความสุขให้กับตอนไหน อย่างต่อเนื่องอ น, นี่คือเรื่องของชีวิตของทุกๆคนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินนายกประธานาธิบดีลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญคนขอทานก็เหมือนกันทุกคนทุกคนนี้ต้องบำบัดทุกพ่อปิดทุกนั้นทุกคนแม่ก็ต้องนำลงสุขก็ต้องหาความสุขเพิเติมอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีความสุขในตัวเอง เลยต้องบำบัดสุขแต่ทุกนี้มันมีติดตัวมาทุกคนนะแต่สุขมันไม่มีต้องคอยกําจัดทุกแล้วก็คอยสร้างสุขให้กับตนเองทีนี้ทุกบําบัดทุกบาบังสุขนี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันเพราะชีวิตนี้ประกอบขึ้นด้วยสองสองส่วนเกิดร่างกายและจิตใจแล้วเราก็จะบําบัดทุกบำบังสุขของร่างกาย ด้วยปัจจัยสี่ทุกคนต้องมีปัจจัยสี่ร่างกายทุกคนต้องมีปัจจัยสี่ถึงจะอยู่ถึงจะมีอยู่แบบไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยแล้วก็มีความสุขข้อแรกก็คือทุกคนต้อ ง, องบําบัดทุกข์บำบัดสุขทางร่างกายด้วยการแสวงหาปัจจัยสี่ทุกคนเลยต้องมีอาชีพถ้าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง ที่มีปัจจัยสี่พร้อมเพลงก็ต้องหากันทํามาหากินกันอันนี้เป็นส่วนแรกของของการบําบัดทุกความุงสุขของทุกๆุกคนคือบําบัดทุกทางร่างกายบำลงสุขทางร่างกายด้วยการหาปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องลูกหูที่อยู่อาศาัยและยารักษาโรกมาให้กับร่างกาย อันนี้ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีหามาได้มากน้อยต่างกันหามาได้แบบละเอียดลุยละต่างกันขึ้นอยู่กับกาลังความสามารถของแต่ละคนที่จะแสวงหากันแต่ก็ต้องมีมีปัจจัยสีด้วยกันทุกคนถึงแม้จะเป็นขอทานนอนข้างถนนมันก็มันก็มีปัจจัยสีที่อย่อาัยก็คือข้างถนน อาหารก็คืออาหารที่ได้จากการขอทานมาเสื้อผ้าก็แล้วแต่จะเก็บหาได้จากกองขระยารือที่ไหนก็ตา่างยารักษาโรค ก, ก็ตามมีตามเกิดถ้าขาดประจัยสีถึงขีนหนึ่งมันก็จะอยู่ไม่ไดต้ต้องถึงแก่ความตายไปอันนี้เป็นส่วน แรกคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางร่างกายส่วนที่สองคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางจิตใจซึ่งในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่ก็มีการกระทำบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยสองวิธีใหญ่ๆวิธีแรกเรียกว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยการแสวงหาด้วยการเสพกลางเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆ ถึงแม้ร่างกายเราจะสุขจะสบายไม่ไมทุกข์ไม่อะไรไม่เจ็บไายได้ปวดแต่ใจเรายังไม่ยังไม่มีความสุขจากความสุขทางร่างกายใจเรายัางต้องหาความสุขให้กับใจซึ่งก็าหาด้วยการเสริมรูปเสียง ก, กลิ่นรสอุณหภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ, ๆดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวทำสถาน ท, ที่ต่างๆอะไรทำ ง, งนี้เจะเป็นการ หาความสดบำบัดบำบัดอําทุกข์ใจเพรเวลาใจอยู่เฉยๆเช่นในช่วงโควิดเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้รู้สึกหมดห ง, งุดหใจลำคาใจพอช่วงนี้เขาเปิดให้ออกได้ น, นี้เหมือนกับก่บินนะช่วงที่โควิดมานี่เหมือนหากินเวลาต้องอยู่บ้านทั้งตัวเองนี่หากินทุกมาเนี่ยหากิน พอเวลาเปิดได้ออกจากกรงได้เนี่ยมันไก่บิน <c oughs> ดีสุขมีดีดีอกดีใจได้ไปเสพรูปเสียงกิริร้อยผรสะพานชนิดต่างๆนัเแต่การแสวงหาความสุขแบบนี้มันก็นเป็นความสุขแบบชั่วคราวได้บำบัดทุกข์ได้แบบชั่วคราวซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยได้บาเพ็ญมาเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เสพความสุขของ พระเจ้าแผ่นดินแต่ก็รู้ว่ามันก็เป็นของชื่อเปล่านเะมื่อกี้เร่ยนพูดความสุขการวิธีบำบัดทุกบังัดสุขอีกแบบหนึง่งที่วันนี้ที่เรียกว่าเป็นการบำบัดทุกบำงัดสุขด้วยการทรมานร่างกายโดวยวิธีการต่างๆซึ่งมักจะเป็นการกระทําของพวกฤาษีชีพายใช่มากกว่าตัวนี้เขาคิดว่าถ้าได้ทรมานร่างกายแล้วจะทําให้ความรู้สึกบนหิดใจลําคาดใจหายไป เราก็เลยทำํำด้วยวิธีการต่างๆเอาของแหลมคมมาขีดขีดร่งางกายทำร่างกายต่างๆทิ่มแทงเข้าไปทางปากบ้างทางลิ้นบ้างหรือว่านั่งบนที่ที่มีน้ำแหลมคมนั่งเพืให้มันเจ็บก้อนอย่างนี้หรือทรมาตนตนด้วยการยืนตากแดดอะไรทํานรงนี้เป็นเวลาอย่างนาน หรือมางพวกก็เป็นพวกไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเลยเป็นชีบเปลยทารานั่งการในการไม่ต้องมีเสื้อผ้าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างซึ่งคงจะท่านคงจะเคยได้ยินได้รังมาซึ่งงานเราทำหลังดีสําหรับพวกกระทางก็รู้สึกว่าทําให้ใจสบายพอ <c oughs> เวลาพักเวลาไม่ได้ทำแล้วรู้สึกอยู่เฉยเฉยก็จะไม่มาเห็นไม่ต้องการใจเพราะว่ามันมันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนตอนทีนาา่ทารา ร่างกายของตนแต่พอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่การอยู่เฉยๆก็ต้องทรมาร์ร่างกายไปแต่ก็ไม่สามารถบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจได้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็เลยทดลองทั้งสองแบบนี้มาสมัยเป็นกษัตริย์ก็ได้ใช้การเสด็จการเพื่อบำบัดทุกข์บำรงสุขก็ทําได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่ก็ไม่สามารถบำบัดทุกบำรงสุขได้อย่างสาทาวรแล้วก็เคยลองในช่วงบํางเพนเพื่อคิดว่าจะได้หลุได้พบกับการปรับพื้นบำบัดทุกบำรงสุขโดยการทรมานร่าง ก, กยายเช่นอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันแต่ก็ไม่สามารถบําบัดทุกบำรงสุขได้อย่างถาวรทุกที่มีอยู่ภายในใจก็ยังมีอยู่ยังพอกันไป อก็เลยส่งค้นคว้าหาแนวทางอื่นจนในที่สุดก็พบแนวทางที่สามที่ทรงตัดว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่จะทำให้บำบัดทุกความมุ่งสุขทางด้านจิตใจได้อย่างถาวรนั่นก็คือทางแห่งมรรคแปดมรรคที่มีองค์ปในในแก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมัน สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทำได้ปฏิบัติมากที่มย อ, องไปแล้วก็สามารถบำบัดทุกความจัดความทุกที่มีอยู่ในใจได้หมดสิ้นไปแล้วก็สร้างความสุขให้ปรากฏขึ้นในใจได้อยู่อย่างถาวรโดยความสุขของพัิภานนิพพานปรมังสุ นี่คือเป็นทางที่อุจจาได้ทรงตัดสรุปได้ทรงค้พบในอรยิยสัจ ส, สี่ี่ทรงค้พบอริยสัจสี่ก็เห็นเหตุที่ทําให้ทุกข์ที่มีเนินชาเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการวัฏถนาภาวะวัฏถนาวิภวตัฏถนาความอยากตาประกาศความอยากเสษกรรมความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการที่จะทําให้ความทุกข์นี้ดับแฝงเขาต้องคาจัด ของความทุกข์ทั้งสามประการนี้การที่จะรับจัดความทุกข์ทั้งสารประการนี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือมรรคมรรคก็คือมรรคที่มีองค์แบดนี้องอ์ก็ส่งได้สร้างมรรคเจริญมรรคอย่างเต็มที่เมื่อมีมรรคอย่างเต็มที่ก็สามารถนำมอาอไปละสมุทยัยเบื้องเด่นของความทุกข์ได้ เมื่อน่าสมุทัยได้นิโรธคือการดับความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาในการกำจัดความทุกข์ที่ถึงลูกถึงคนคือถึงเหตุถึงต้นตอของความทุกข์กที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ของใจที่แท้จริงนี้เกิดขึ้นจากตัณหาทั้งสามนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงว่าองเดียวที่ทรคนพบแล้วก็ทรงคนพบเหตุที่จะทำให้ตัณหาทั้งสามนี้หมดสิ้นไปได้ ก็คือมรรที่มีองค์แปดน่พองก็เลยบำเป็นมักในช่วงสุดท้ายตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพล่ะช่งมีศีแล้วมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุความเกลียดแล้วนี้กําลังเจริญสัมมาสติสมาธิและัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปคือปัญญาสติสมาทิฏฐิและปัญญา ด้วยการเจริญสมถภาวนาเริอมต้นสมาธิสมาสมาธิพอได้สัมมาสมาธิแล้วก็จเจริญสมาธิทิฏิจนเห็นจนเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าทุกเกิดจากตัณหาทั้งสามวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ด้วยการเห็นใจรับในสิ่งต่างๆที่ตัณหาปรารถนาต้องการเมื่อเห็นทุก ว่ามีอยู่ทุกในทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในในใจขอกนี้ดับความทุกข์ได้ก็เลยหยุดความอยากทั้งสามได้พอหยุดความอยากทั้งสามได้ทุกข์ก็เลยหายไปหมดไปจากใจแล้วสิ่งที่ปรากฏแทนขึ้นมาก็เกิดความสุขที่ถาวรเราเรียกว่าความสุขของพระนิพพานนี่คือแนวทางของการ หาความสุขบําบัดทุกที่ถูกต้องที่พระเจ้าได้ส่งคนพบและนี่ก็คือคําตอบที่สองที่คุณหมอถามว่าถ้าเราคนจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรกาใช้ชีวิตของเราด้วยการบําเพ็ญมักแปดดีมักที่มีอกไหตามตามกำลังตามฐานะของเราไปถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่พุกเ จ, จาก้าก็ส่งเพิ่มมักแปดอีกข้อหนึ่งก็คือทานให้ทําทานก่อนให้เรา การจัดการอาศัยการใช้เงินใช้ทางเป็นเครื่องมือบำบัดทุกความทุกข์ส่วนใหญ่เราจะใช้เงินทางไปบําบัดทุกความทุขกันก็ให้เอามาใช้บําบัดทุกความสุกขได้อีกวิธีหนึ่งด้วยการให้ทานเพราะการให้ทานนี้ก็จะทําให้ใจมีความสุขและเป็นความสุขที่จะทําให้ไม่ติด ก, กับการใช้เงินใช้ทองถ้าไม่มีเงินทาง ทำบุญทำทานก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกทุกข์ใจไม่เหมือนกับการใช้เงินทองทอไปบําบัดทุกข์ด้วยการเสพรูปเสียงกเกล็ดเงินทําเงินทองทอไปซื้อรูปเสียงเกล็ดเงิต่างๆมาเสพพอไม่มีเงินทองจะไปซื้อมาเสพก็จะเกิดความหงุเหงยดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ในทางการทําทาน ท, ท, า ท, าทําบุญนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการดัง น, นั้นถ้าไม่มีเงินให้ทานให้ทาํา ใจก็ไม่หิวเพราะการทำทานนี้ช่วยดับการการถิวโหวยด้วยการใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายแล้วเมื่อเราทำทานได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้เงินทองเพื่อไปเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายเราก็ไม่ต้องทำงานหรือทำน้อยเราก็จะได้มีเวลามาบำเพ็ญ มั้ที่ไม่องแปดคือสีสมาธิปัญญาตามลำดับถึงสีนหสนห้าสีแปดแล้วก็ไปภาวนาไปเจริญสติสมาธิปัญญากันตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแบบฉบับที่พระอาจาได้ส่งำบำเพ็ญห น, น้าดำเนินมาแลพระอริยสงสาวมทุกมุงพระองค์ก็ ดำเนินตามพระเจ้ า, าเราเราผู้เป็นพุทธบริษัทถ้าเราปรารถนาการ บ, บําบัดทุกความรุนสุขที่ถูกต้องก็ต้องบําเพ็ญตามแนวทางที่พระเจ้าและพระอริยสงสารทั้งหลายได้บําเพ็ญกัน น, นั่นเองคิดว่าน่าจะตอบคําถามที่หัวข้อที่มีน้องตั้งไว้ได้สําหรับวันนี้นะครับ กระจ่างเลยครับพระอาจารย์ครับกลับครับคุณครับพระอาจารย์ครับผมถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับแล้วอย่างนี้สำหรับพวกเราทุกคนที่ยังเป็นค า, าวาสอยู่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่ตรงไหนดีอครับพระอาจารย์ก็ทานศีลภาวนาพยายามทําทานกลางเดียวยังไปที่ออกไปซื่อไปเสียดลูกเสียนเกลีแล้วก็เอามามามาทํำบุญทำทานครับผมนั่นจะไป เช่นสมมติว่าหยุด 4-5 วันนี้นล้วจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเอาเงินที่จะไปใช้กับการเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานตามอธยาฐัยชอบทํากับใครที่ไหนอลไรก็ไปทําได้ทําแล้วจะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเพราะมันจะอยู่หล่อเลี้ยงจิตใจให้ยาวนานกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยว ทีย่ยอกกลับมาไม่นานความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหแต่วความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้ทุกครั้งที่เราคิดถึงมันมันก็ยังทำให้รู้สึกในความอิอ่มอบใจที่เราได้บริจาคเงนินนให้กับกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือสถานที่หนึ่งที่ใดที่เราชอบที่เราคิดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราก็ทำอันนี้แหละมันจะทำให้เรามีความ ช่วยกำจัดความหิวโหยในการที่จะใช้เงินทองไปที่เราเป็นไปซื้อมความสุขทางตาหูจมบกเนื้อายเราจะทําให้เราสามารถรักษาสิ่งแปดกันได้เพราะสิ่งแปดนี้เราจะต้องระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายกันเริอมต้นเรารักษาสิ่งห้าแล้วก็ทำทานกันไปก่อนจนกว่าเราจะมีกําลังที่จะเริ่มรักษาสิ่งแปดได้เราก็รักษาสิ่ปพอรักษาสิ่งแปดได้เราก็จะได้ไป ปฏิบัติทำได้เพราะถ้าไปอยู่วัดไปสถานที่ปฏิบัติธรรมก็จะบังคับให้เราถือสี่งแปด ก, กันไม่ให้เราเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพอย่างนี้ต่างๆกันเพื่อ ท, ท, <Okay. S 1> ที่เราจะได้เอาเวลามาเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเอซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นสูงต่อไป <Okay. S 1> ถ้าเราได้เริ่มปฏิบัติสติสมาธิปัญญาแล้ ว, <Okay. S 1> ลวเราก็จะเข้าใกล้ น้ำฝนนิพายนเข้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ชาติก็เล็วแล้วก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในครบทิชาตินี้ตามที่พระเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีครับกขอบอคุณพระอาจารย์ครับจะค่อยๆเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับาอาจารย์ทุกครั้งอย่าซื้อของชุ่มรวยทุกั้งอย่าไปเที่ยวเอานงินไปทําบุ่นดีครับ <c oughs> ทำทายก็ได้ไม่ต้องทํหนุนอากคหมอเนี่ยอาจจะสงเคราะห์คนไข้คนป่วยอะไรก็ได้คนไข้คนป่วยยา่ามจนมารักษาไม่ได้การรักษาก็เป็นเก็บสตานอะไรอย่างนี้ก็ได้จะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆนะครับคุณสมพรครับน้องกราบปุจฉาพระอาจารย์ทําอย่างไรให้มีวินัยในทุกๆเรื่องวินัยในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับวินัยเรื่องใดบ้างครับ คาว่า ม, มีมีวินัยก็ต้องมีสัจจะมีความจริงใจในความตั้งใจตรงตอนเราต้องมีความตั้งใจว่าเราจะเราจะทำอะไรสักอย่างเช่นเราจะรักษาสีนห้า<ร>วินัยทางวมาศาสนาก็คือการรักษาสี่สิบห้าสิลแปดสิบสองยี่สิบเช็นเราก็ต้องมีการตั้งตั้งใจไว้ก่อนนะว่าต่อไปนี้เราจะรักษาสี่ห้า เมื่อตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อความตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งใจแบบลอยๆพอถึงเวลาจะรักษาก็ไม่รักษ า, าแสดงว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจถ้า ม, มีสัจจะเหมือนกับเราเลือกปากกับใครไว้แล้วว่าจะต้องจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถึงเวลาเราก็ต้องทําตามที่เราได้ตั้งตั้งตั้งใจไว้ตั้งสัจจะไว้นั่นเอง เราต้องมีสัจจะธิษฐานอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะบำเพ็ญการปฏิบัติฐานขั้นต่ตางๆของธรรมพุทธศาสนาเม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานในขั้นสูงสุดในขณะที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานจะนั่งอยู่ตรงนี้บำเพ็ญไปจนกว่าจะบรรลุจะตัดสรโลจะกำจัดความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ อันนี้คือต้องมีมีความมีศัจจาอธิษฐานคือมีความตั้งใจมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราวินัยทางพุทธศาสนาก็เนี่ยวิถีก็มีฐานศีลภาวนาเนี่มีศัจจาที่จะจะทำทานที่รักษาศีลนัชภาวนาาคุณปรีชาถามเรื่องที่วัดญานมีที่ให้พักปฏิบัติทำไหมครับ ก็มีสองส่วนส่วนล่างก็มีสําหรับผู้ที่เริ่มต้นคือผู้ที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องวิธีการภาวนาเปรี้ยเวก็อาจจะไปอยู่ที่ข้างล่างก่อนซึ่งเราก็มีที่พักให้อยู่แล้วก็มีให้ลองทำวัดฝึกหัดนั่งสมาธิไหว้พระสวดนตเช้าเย็นไปก่อนสําหรับผู้ที่รู้จักวิธีภาวนาปฏิบัติเคยไปอยู่วัดป่ามาแล้วกส็สามารถที่จะไปพักกับ พระปฏิบัติทำบนเขาเชียวได้ถ้ามีที่ว่างนะเพราะเดี๋ยวนี้คนเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะต้องอาจจะต้องเข้าคิวกันถ้าเกิดจองที่พักแล้วมันมันเต็มนี้มันก็แต่ก็ถ้ามีที่ว่างพระส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ให้พระอยู่ปฏิบัติกันอีกส่วนหนึ่งที่ว่างนหะอยู่ก็ให้กับผู้ที่สนใจที่เป็นผู้ชายสําหรับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ก็มี ที่ปฏิบัติธรรมที่เขาที่วนเหมือนกัรจะอยู่ในโวนป่าไม้มันพักของป่าไม้ซึ่งจะคข อ, อขอจองที่พักไปอยู่ได้สำหรับผู้หญิงเป็นบ้านหลังเดียวอยู่คนเดียวปฏิบัติตามลำพังแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอยู่แค่กันอยู่แค่ไม่มีไม่ไม่มีกุฏิเป็นแค่แล้วก็อาศัยอาจจะมีผ้ากั้นเป็นฝา แม้ว่ามีทางเดินยังคงอยู่ใกล้ๆกับที่แค่ที่พักแต่ก็อยู่อยู่ในป่าอยู่ห่างไกลจากแค่ของผู้อื่นใช่ไหมก็อยู่คนเดียวถึ่งคุณหมอเขาเคยโพสลงในเพจของคุณอหอมอใช่ไห ม, มทิ่ขึ้นไปปฏิบัติว่าเป็นยังไงก็มีมีสองกรณีผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันผู้หญิงที่เริ่มต้นก็อยู่ที่ข้างล่างก่อนอยู่ที่วัดก่อนก็ได้ประการอ่า ไหว้พระเฉลิมมนนักสมาธิแมนโหร์ครับเช้าเย็ น, ยนเดี๋ยมีแกล้ผู้ชายก็เต็มแล้วครับอาจารย์เนี๋ยวนี้ก็แต็ม<อ>มีทั้งต่างชาติมีทั้งมีทั้งชาวไทยก็มีมากเปนอย่างอย่างต่อเนื่องคที่มีต่างชาติคนหนึ่งซึ่งล้ยงคอยเข้ามาฟังธรรมในห้องสูงอยู่เป็นประจํำก็นายคลายศ ใรัพย์สมบัติเข้าไเมืองเท่านั้นก็ บ, บินมาเพื่อที่จะมาหาที่บวชในประเทศไทยนะวันนี้ก็เขามาขอเริ่มต้นจุงเริ่มต้นที่ที่เขาเชี้ลงไปก่อน oh. ต่อไปก็อาจจะต้องไปหาวันที่เขาจะรับบวชให้อยู่ได้พระที่วัดอย่างนี้ตอนตอนนี้ท่านเจ้าวัดไม่พูดไม่ทนอกท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านเลยไม่อยากจะ นชาวต่างชาติาว้องสื่อสารกันไม่ได้แต่ตอนนี้ได้าทามาท่าบอกว่าถ้าชาวต่างชาติมาฝึกภาษาไทยพอพูดคุยกันได้ทา่านก็อาจจะบุดให้ได้อครับสาธุครับคุณสมพรครับเราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขในความหมายทางธรรมครับก็เนี่ยะปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเป็น การทำให้เรามีความสุขทําทานก็จะมีความสุขเราทําบุญใส่บาตรทุกวันเลยทุกเชา้าถ้ามีพระเดินตานมาหน้าบ้านเราทําทำบุญทำทานใส่บาตรทุกวันเราจะมีความรู้สึกมีความสุขตอนได้ใส่สาบาตรทุกวันนี้แปลกนะเพราะวันไหนเขาไม่ได้ใส่บาตรหรือไม่ถ่นพระนี่เ ข, ขนนเขาจะต้องขับรถตามพระาถ้าไม่ทำสายวินตาบาก็จะขับมาถึงที่วัดเลยก็มี้พอะรู้สึกว่าเวลาได้ทนะําแล้วมันมีความสุข เราไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกมันขาดอะไรไปนักษาศีล ก, ก็ยังมีความสุขเวลาเรามีความซื่อสัตย์สุจริตนี้เราจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราชนะอะชนะกิเลสชนะตัวที่มาคอยยั่วยุโยนให้เราไปทําผิดศีลเป็นให้เราชอบโกงอะไรทำนองนี้แล้วเราปฏิเสธไปเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจในความสุขใจที่เราไม่ต้องไป ทราบังไปปชออกกคุณแบงค์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์วิธีบริกรรมพุทโธสำหรับทำวิปัสสนาควรทำเมื่อจิตมีความพร้อมแค่ไหนและบริกรรมพุทโธเพื่อขั้นวิปัสสนาทำอย่างไรครับขั้นวิปัสสนาเป็นขั้นที่สองนอกจากต่อจากขั้นสมาธิ นก่อนที่เราจะได้สมาก่อนที่เราจะไปทําวิปัสสนานี้เราต้องได้สมาธิก่อนแล้วสามารถให้จิตเข้าสุ่ฌานได้เข้าสุ่ฌานที่สี่อัปปนาสมาธิให้มีอุเบกขาขึ้นมาก่อนซึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่การพูดนี่มันยากมันง่ายแต่เวลาทำจริงนแม้แต่พระปฏิบัติครูบาอาจารย์ถ้าลองศึกษาประวัติของท่านนี่บางคนใช้เวลาต้องหลายปีกว่าจะเข้าฌานเข้าสมาธิได้ ดังนันสหรับคารวาสญาณโยนเนี่ยคิดว่าผมจะต้องใช้เวลามากน่าอาจจะไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับพระปฏิบัติอย่างนั้นสำหรับอตบัตมาที่เรื่องวิปัสสนานี้อยากจะขอให้ญาณโยมเรื่อนไปก่อนถึงไม่ต้องไปกังวลกับมันวิปัสสนาตอนนี้เอาแค่แค่ามาฟังเทศฟังธรรมไป พิพัฒนาก็คือการศึกษาปทางปัญญานี่ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นตายรักไปก่อนใหรู้ว่าอันนี้จากทุกข์ขนั้นตาเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราสัมผัสรอบตู้อยู่เกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นเป็นตายรักทั้งนั้นคือเป็นของที่ไม่เที่ยมเขีนยนหน้าบยดรัส ร, ศรศสิญสนึกที่เราแสวงหากันที่มีกันนี่มันก็ไม่เที่ยมมีหน้าแล้วก็มีการเสื่อมหน้า มียศก็มีการเสริมยศมีสารเสริญก็มีการเสริมสารเสริญคือมีนินทามีสุขก็มีทุกเวลาเวลาความสุขหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี้ก็คือวิปัสสนาในระดับของเราเอาเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนคือวิปัสสนาสนใจให้เรารู้ว่าเราอยู่กับความความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่น่สมบัติเข้าของเงินทอง บุคคลระดับที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรานี้ไม่แน่เนะวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเสื่อมไ ป, ไปได้อย่างไ ม, ไ, มไม่ไม่รู้ตัวไม่ได้ขัดตั้งตั้งตัวได้สอนใจเอาให้แค่นี้ให้ได้ก่อนสอนเรื่องร่างกายของเราว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอันนี้นี่คือวิปัสสนาในระดับเบื้องต้ น, นในขณะที่เรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิ เราเาแค่นี้ก่อนถ้าเราได้อปนาสมาธิแล้วเราค่อยไปขั้นระสัมโยชน์ถ้าเรามีสมาธิมีอปนาสมาธิแล้วเราสามารถจเจริญวิปสัสสนาขั้นที่ระสัมโยสิบน้าต่อไปในเบื้องต้นนี้ขอให้เราทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสตินั้นนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนในเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสมาธิออกมาก็าไปหมัคิดอยู่นเรื่อยๆว่า ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแท้ๆ แ, แน่นอ น, นรับยศสารเสนาสุร่างกายของเราไม่แน่แท้แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับได้กับทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของผู้เพียงทำขั้นนี้ให้ได้ก่อน น, ะนี่ก็คือวิปัสสนาในขั้นพื้นฐานขั้นของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงฌานขาาเข้าถึงสมาธิถ้าเข้าถึงสมาธิเราถึงจะไปขั้น ขั้นสูงนะัวิปัสนาขั้นสูงต่อไปได้คุณสมพรครับเราควรเข้านอนกี่ทุ่มตื่นนอนกี่โมงเพื่อการปฏิบัติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาครับถ้าทำตามทีม่พระเจ้าสอนท่านพิสุก็คือให้นอนสี่ทุ่มตื่นตีสองตีสองก็บำเพ็ญไปถึงหกโมงเช้าแล้วก็ออกฤทธบาลราญาติโยมก็บําเพ็ญตีสองถึงหกโมงเช้าแล้วก็ไปทำนาทําการ กลับมาบ้านก็พักผ่อนกลับมาบ้านก็พักรับประท า, านอาหารหนาวถ้าเราก็ภาวนาไหว้พระสวดมนตถึงสี่ทุ่มแล้วก็นะกกเข้านอนอย่าไปทาอย่างอื่นอย่าไปดูข่าวอย่าไปดูหนังอย่าไปเล่นกับคนนั่งคนนี้อยากไหมยากแต่ก็พยายามทําได้มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับ <c oughs> คุณพินกนไมไมบอกว่าไม่ใช่เรื่องมังเอิญใช่ไหมคะที่ได้มานำมรสการพระอาจารย์และได้รู้จักคุณหมอผ่านทางโซเชียลครับมันกเน็เป็นเรื่องความสนใจของเราด้วยเราสนใจเรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยทําให้เร า, เ, าเข้าหาสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทราบเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วฟังแล้วมันทําให้เรามีความสุนใจเราก็เข้าหาสิ่งเหล่านี้กัน ก็คือเรื่องความีฉันทาวิริยะในตัวเราด้วยคุณพีระครับผมมีปัญหาคือมีคนมาแอบชอบเราแล้วมาจีแต่เราไม่อยากมีแฟนเพราะเห็นว่าการมีแฟนไม่ใช่ความสุขถาวรสู้อยู่คนเดียวสบายกว่าไม่ได้แล้วเราควรจะวางตัวแล้วบอกเขาว่ายังไงดีครับก็วาวงตัวเหมือนกับเราวาวงตัวกับคนอืนะ่นที่เขาไม่ได้มาจี แล้วก็เป็นสัมพันธรร์สมาชิกที่ดีกับเขาแล้วเราก็มีขีดมีขอบเขตของการการกระทํากับเขาเหมือนกับเราเขาทากับผู้ก็เหมือนกันนะหรือว่าเราก็อย่าไปตอบสนองความต้องการของเขาเวลาที่เขาเสนออะไรมาซึ่งเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำแเราก็อยากไปทํา แต่ก็ไม่กวรจะขาดความเมตตาเพราะถ้าเราไม่มีความเมตตามันก็าจจะทําให้เขาโกรธขึ้นมากลายเป็นคู่ศัตรูเราได้แทนที่จะเป็นเพียงการศัตรูขึ้นมาได้แต่เราต้องใจเย็นและต้องอมีอุเบกขาด้วยเพราะบางทีเราโําคาญเราอยากจะแม้เขามาย่งกับเรานี่ความอยากของเรานั้ยมันทําให้เราไม่สบายใจเป็นความอยากไม่ให้เขามาจีบเราเราก็ต้องทําจว่าเขาจะจีก็ปล่อยว่าจีบไป แต่เราไม่ต้องไปตอบสนอมการจีบของเขาแล้วว่าทาใจล้วก็ทำตัวเราเฉยๆไปทักทายเจอกันก็ทักทายกันไปไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องทอหากันแยกกันอยู่ไปคุณโฮมอาโรนครับขอเรียนถามสภาวะที่เป็นสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรสติกับสมาธิเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับสติเป็นผู้ดึงจิตให้เข้าสมาธิ จิตจะคอยควบคุมความคิดให้หยุดคิดนะพอจิตหยุดคิดนิ่งความคิดหายไปอันนั้นก็เรียกว่าสบายที่ขึ้นมาคุณมีชัยบอกว่ า, วาการดูคนเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมสังเกตยอย่างไรครับมันยากะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในใจของเขามองไม่เห็นแต่ก็อาจจะเห็นการประพฤต ว่าเขามีศีลมีศีลมีกายวาจาการการทําอะไรก็จะมคนคอนเทนต์สงบสง่ยวเตรียมตัวอะไรทำรอนเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะดูได้อย่างแท้จริงต้องจากได้สนนาทํำกันนะถึงจะรู้ว่าเขามีธรรมมากน้อยเพียงไรแต่เราก็ต้องมีธรรมด้วยเราถึงจะรู้ถึงจะสามารถมัดเขาได้ถ้าเราเองไม่มีธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า เขามีทำอะไรบ้างคุณปุ้ยครับวันนี้ขออนุญาตถามพระอาจารย์เรื่องการหมั่นรู้ตัวค่ะตอนนี้ฝึกเรื่องนะครับคําถามคันนี้ครับก็คือการให้มีสติไงให้รู้ตัวคือให้รู้ร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายของเราทุกปีเรียวของการเคลื่อนไหววอาตอนนี้ร่างกายของเรากําลังอยู่ในปีรียาไหนไดกําลังทําอะไรอยู่กําลัง ยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังทำงานกำลังยกของกำลังแบ่งแขนว่างหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเนี่ยพระจ้บอกให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ดูเฝ้าดูทุกไอเดียทุกเวลาเลยอันนี้เพื่อเป็นการฝึกสติไม่ให้ใจลอยไปที่ให้ใจตั้งมัน่นอยู่ในที่เดียว เือเวลาทำสมาธิใจจะได้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าใจตั้งมั่นอยู่กับอารม์คือลมหายใจเยื่องคำบริกรรมพูดถ่างเดียวมีเขียนต่อตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่าฝึกเรื่องคิดก่อนพูดครับบางทีไม่ทันครับก็ได้นะถ้าเราดูร่างกายเราเราก็จะรู้ว่าเรากรากทาอะไระถ้าเราลองจะพูดเราก็จะรู้ถันทีว่าเราพร้อมจะพูคุณสมพรครับ การอ่านหนังสือธรรมะกับการฟังธรรมะจากพระอาจารย์โดยตรงมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรครับในแง่การเข้าถึงธรรมครับถ้าหนะังสือธรรมะมันก็ต่างกับการฟังธรรมการฟังธรรมมันง่ายกว่าการอารร่านอาศรรัย ส, สติน้อยกว่าคือในนั่งฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ประโยชน์ที่อ่านก็จากการอ่านหนังสือนี่อาจจะดีกว่าตรงที่ว่าหนึ่ง ต้องอาศัยการมีสติที่ที่มากกว่าที่คอยบังคับให้อยู่กับการอ่านหนังสือและสองถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจแล้วสามารถย้อนกลับมาอ่านซ้ําได้ไหมแต่ถ้าเราฟัง ป, ปั๊บตรนี้บางทีฟังไม่เข้าใจมันก็ผ่านไปเลยต้องเรากลับมาซึ่งในสมัยนี้ก็โชคดีมีการบันทึกเสียงไว้เราก็อาจจะฟังซ้ําๆหลายรอบ ก, ก็ได้ซึ่งการฟังแต่ละรอบนี้อาจจะได้ความรู้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน เพราะว่าสติของเราที่จอดจออยู่กับการฟังมันไม่ต่อเนื่องบาช่วงเราฟังไปแต่ใจเราฟังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีง้ก็ได้ช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังฟังอะไรแต่คราวหน้าเรามาฟังใหม่พอถึงช่วงที่เราไม่ได้ฟังตราวที่แล้วคราวที่เราฟังเราเอ๊ะเ อ, เอ๊นี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ก็เพราะว่าใจคราวที่แล้วเราไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่การฟังธํามนั่นเองแล้วมันก็มีประโยชน์ได้ทั้งสองอย่าง คือถ้าการฟังธรรมนี่มันก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราปอาศัยเสียงธรรมนี้เป็นตัวกรอบใจไปเลตัวแต่อาจจะไม่ได้ความรู้ความเข้าใจได้ดีเท่ากับการอ่านนะอ่านนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราย้อนกลับไปอ่านใหม่ได้คุณเจริญครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะแก้ความรู้สึกเปรียบเทียบได้อย่างไรเจ้าคะ ก็มองสิ่งที่เราเหมือนกันเลยเพรกะเราทุกคนนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนก็ทุกคนไม่มีใครคอยยกเว้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันจะรวยจะจนอจะฉลาดจะหม้อก็เหมือนกันเราที่ที่จบนี้จะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่เสียเวลาเห็นใครก็รวยกับเราเรามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเลยวะเห็นใครก็จนกับเรามันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเลยวะแค่นี้มันก็จบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร นเนื่อสวทคุณเดอร์พีนาครับอยู่ต่างประเทศและห่างไกลวัดมีวิธีไหนที่จะสามารถทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับได้บ้างโดยการไม่ได้ไปวัดทําบุญกับพระค่ะสมัยนี้เราก็สามารถติดต่อกับวัดคือสามารถโอนเงินให้กับทางวัดผ่านบัญชีไนดะ้ถ้าเรามีถ้าเรามีแอปมีอะไรที่ของธนาคารที่เราใช้อยู่ เราก็เพียงแต่ขอมาหนึ่งบัญชีของวัดที่เราอยากจะทำบุญเราก็สามารถโอนเงินให้กับวัดได้เลยเพราะโอเสร็จก็ถือว่าเราได้ทําเหมือนกับไปที่วัดโดยตรงหรือถ้ า, าเราไม่มีวัดเราทําสามารถทําบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆที่ที่เราอยู่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทำํำต่อวัดอย่างเดียวทํำแบบชาติสภ า, าชาติของชาติไหนก็นได้ที่เรา ไปอยู่ต่างประเทศเก็มีสตาค่าชาติแล้วก็ทำมาสตารารชาติของประเทศนั้นก็ไคุณตวงธรรมครับกลาวในพิธการพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนผมมีอาชีพหาหอยทะเลขายแต่ตอนนี้เลิกแล้วอยากทราบว่ากรรมหนึ่งชีวิตจากการขายชีวิตเราต้องทดใช้ชีวิตเราหนึ่งชีวิตให้กับหอยเหล่านั้นไหมครับเพราะจํานวนหอยเยอะมากแล้วถ้าแผ่กุศลให้เขาเ่านั้นจะเบาบางลงหรือหมดไปไหมครับแม่หมดหรอก เพราะว่ากรรมที่ทาไปแล้วไม่สามารถไปลบล้างมันได้เป็นนิเวาการทําบุญของเรานี้อาจจะทําให้เร า, เาสร้างบุญที่มีมกําลังมากกว่าบาจึงทําให้บาป ท, ที่เราได้ทํานั้นยังไม่สามารถสบผลเพราะกําลังของบุญมี ม, มากกว่ากาลังของบุญจะสบผลให้เราก่อนฝ่ายใดมีกําลังมากกว่าฝ่า น, นั้นจะสบผลก่อ ถ้าตอนนี้เรายัางเรายัางมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเล่นทํบุญนทำบุญให้มากๆแล้วบุญก็ไม่ใช่ตะมีหลัเฉพาะทำทานบอิจากเัินทองนั้นนักษาเสียงก็เป็นบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญทำเหล่านี้ไปให้เยอะๆยิ่งถ้าไปถึงวันนิพานได้แล้วกรรมต่างๆบาปต่างๆนี้ไม่ตามไม่ทันเลยเช่นองคุลิมา ก้าคนบาดเจ็บการ้อก้าสิกาคนพอได้พบกับพระพุทธเจ้าก็าเลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการฆ้าคนมาค่ากิเลสตัณหาแทจานจนได้บรรลุเป็นพระนะพอจิตหุดพ้นแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกก็ถ้ า, ถาจะนับผลกับก็เฉพาะของชาตินี้ที่ที่มีชีวิตเหลืออยู่เท่านั้นซึ่งก็มีบ้างบางทีก็ไปเจอชาวบ้านที่เขาเกียดชังก็ถุกก้อน ทกข์ก็เกคว้างด้ยก้อนหินอะไรทั้งนี้เองก็มีอยู่แต่พอตายไปแล้วนะพอไม่กลับมาเกิดแนละ้วทีนี้ก็กรรมทั้งหลายบาปทั้งหลายที่ทำไว้ก็ไม่สามารถสง่งผลให้กับจิตโยมที่ไม่เกิดได้ต่อไปยิ่งตอนนี้ไม่นําไปกังวนแต่งอดีตบาปกรรมที่เราทํามาถ้าเรารู้ว่าทําบาปมากๆตอนนี้นี่ทำบุญให้ามากๆใ ห, ให้ให้บุญพาเราหนีหนีบาปที่จะตามมาได้ สมอถาเราตายไปรบาปบุญที่เราทำนี่มากกว่าบาปถึงแม้ยังไม่ไปจะไม่ถึงวันนิพพานบุญจะส่องผลก่อนบุญจะสองให้เราไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นม น, นุษย์ใหม่ถ้าเรามาเติมบุญใหม่ก็ทําให้บุญมากกว่าบาปเรื่อยๆการเวียนไหวตายเกิดของเราก็จะเวียนอยู่ในสุคติไปจนกว่เราจะไปถึงวันนิพพานได้ คุณยวดีครับมีคำถามขออนุญาตเป็นเคสคนที่รู้จักน้องเขาตรวจเลือดเจอภาวะลูกในครรภ์เป็นดาวซินโดรมแล้วก็หลายเปอร์เซ็นต์มากที่ผลจะถูกต้องนะครับกรณีแบบนี้ถ้าหากมีการตัดสินใจตามแนวทางเอาทารกออกมีมุมมองอย่างไรบ้างคะมุมมองที่ถูกต้องก็คือก่อนที่เราจะมีทารกเราควรจะรู้รู้ก่อนว่าผลที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรทารกทุกคนที่จะมาเกิดนี่ไม่จาเป็นว่าจะต้อง สมบูรณ์ทุกคนไปอาจจะมีพิการพิการมีโนอกอะไรติดต่อมาก็ได้เห็นตอนนี้เราจะมีนอกเท่าที่เคิดอย่างนี้ก่อราอาจจะคิดว่าไม่มีดีกว่าอันนี้เริ่มต้นนะแต่ถ้ามันสายไปแนละ้วถ้ามีแนละ้วชัดเจนมีนะก็ต้องเลยตามเลยก็ต้องปล่อยให้เขาข้อออกมาตามตามภาวะของเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาไปตามตามปัิภาพเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ก็เนื่องของเขา คนที่ไม่มีลูกยังมัวษาเอาหมามัเลี้ยงได้แล้วทําไมเราไม่สามารถเลี้ยงลูกของเราเองได้ซึ่งก็าอาจจะเป็นเปรียบเทียบก็าจจะเป็นเหมือนสุนัขก็ได้อย่างระดับของสติปัญญาของเขาหรือเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะดูแลตัวเขาเองได้เหมือนสุนัขเราก็ต้องเล้สุนัขแล้วเลี้สุนัขได้ทําไมเราเลี้ยงลูกเราไม่ได้ในเมื่อเราเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราก็ควรที่จะ ทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีต่อไปก็คือเลี้ยงลูกไปแต่ถ้าเราเจะออกก็เป็นการกระทำบาปเป็นการปาณาติบาซึ่งจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราในอะนาคตต่อไปเราไปเกิดชั้งหน้านี้เราอาจจะไปเกิดอยู่ในคานไข่ล้วอาจจะไม่ได้เกิดออกมาก็ได้เพราะแม่อาจจะไม่อยากจะเลี้ยงลูกก็อาจจะทำทั้งแบบที่เราทําในตอนนี้ก็ได้ ให้คิดถึงผลวิทยาศตร์มาต่อไปถ้ารับรู้ว่าเขาเป็นลูกเรามีโอกาสได้ทดํานบะุญกับเขาก็ออกมาแล้วเมื่อเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเขาเองได้แล้วก็เล้ยดูเขาไปมีพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงดูเี่ยที่เป็นดาวสินกเพราะว่าอยู่กันมีความแฮปปี้เลคุณอนุสรครับถ้าเราหลับอยู่วิ ญ, ญญาณจะเกิดอยู่ไหมครับ วิญญาณในขันห้านี้มันเป็นวิญญาณที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อร่างกายกับจิตใจในช่วงที่ในช่วงที่ร่างกายหลังนี้วิญญาณก็พักทํางานชัว่วคราวคุณรังศรียาครับปกติเป็นคนไม่ชอบไปหาหมอดูไม่ใช่เพราะไม่เชื่อนะคะแต่เพราะมักจะไม่สบายใจเวลาได้รับคำำําทํานายที่ไม่ดีเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวแต่เมื่อไม่นานมา น, นี้ไปซื้อของจู่ๆคนขายก็ทัก ว่าเป็นคนใจดีชอบทําบุญแต่มักจะทําคุณคนไม่ขึ้นให้ทําใจซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขารู้ได้อย่างไรเพราะค่อนข้างตรงโดยเฉพาะคําคที่ว่าทําคุณคนไม่ขึ้นให้ทําใจทําให้จิตเศร้าหมองทุกครั้งที่นึกถึงเพราะมันก็ตรงอยู่ดิฉันควรจะวางใจอย่างไรดีคะขอพระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะเามันตรงมาทุกคนน่ะทุกคนน่ะทำบุญแล้วมักจะไม่ไม่ไม่ทำคุณแล้วมักจะไม่ได้ไม่ขึ้นเพราะคนที่เราช่วยบางทีเาก็กันดึม ุที่เราทำให้กับเขาไปนั้นเป็นเรื่องปกตินะการทำบุญทำอะไรนี่อย่าไปหวังผลตอบแทนจากคนที่เราทำด้วยนี่คือโดยโดยหลักทั่วไปเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการความสบายใจถ้าเราทำบุญทำคุณแล้วหวังผลตอบแทนเวลาไม่ได้เราก็จะรู้สึกเสียใจนั้นการทำบุญทำคุณทาประโยชน์ให้กับใครนี่อย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับผลประโยชน์น แล้วเราจะมีความสุขมากกว่าแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจกับวดใจถ้าเขาไม่ตอบแทนบุญคุณที่เราทำกับเขาแล้วในแง่วางใจกับหมอดูอย่างนี้ครับรอาจารย์ ห, หมอดูก็หมอดาวนี่แหละ <c oughs> คุณสมพรครับทำอย่างไรจะให้เป็นผู้มีปัญญาในทางธรรมการมีปัญญาในทางธรรมและทางโลกเหมือนหรือต่างกันอย่างไรปัญญาทางธรรมกับทางโลกมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ครับเปัญญาทางธรรมกับทางโลกนี่มันก็คนละทางกันทางโลกมันก็จะเป็นวิชาการต่างๆที่จามาใช้ในการเล้ยงชีพแต่ในทางธรรมนี่ปัญญาในทางธรรมนี่มีไว้มาเพื่อมากําจัดความทุกข์ที่มีในใจ เป็นวิอีกวิชาต่างจากวิชาทางโลกก็แล้วแต่ซึ่งการจะมีปัญญาทางธรรมก็ต้องก้าหาครูครูที่มีความรู้ทางธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เข้าหาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็คือจากพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์ทีาบปฏิบัติในปฏิบัติชอบต่างๆก็เรียกว่าเป็นการเป็นการเจริญปัญญาในทางธรรม ข, ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมรรยาปัญญาการเจริญปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังทาจากผู้ที่รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาทั้งหลายซึ่งจะานำไปสู่ปัญญาขั้นที่สองขั้นคือ ข, ข, ขั้นแรกปัญญาที่เราได้มานี้ยังไม่สามารถนำออไปกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้เพราะมันยังไม่มีกำลังแล้วก็อาจจะ อยู่กับใจไม่ได้นานเราฟังธรรมปั๊มเดี๋ยวสักคู่เราก็ลืมเราฟังธรรมแล้ ว, ลวลลรักษาสี่ห้าเดี๋ยวพอถึงเย็นมีเพื่อมนมาชวนไปกินเหล้ามาฝ่ายแล้วลืมแวว่า อ, อ่อนเราต้องรักษาสี่ห้านี่ยังถ้าอยากจะให้ปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้มีประสิทธิภาพก็ต้องเจริญมาสู่ขั้นที่สองคือจิตตามมัจจปัญญาคือมันพิจารณาทําอยู่เรื่อยๆทาที่เราได้ศึกษาได้ ยินได้ฟังมาเนี่ยยังคิดอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เหนื่อยไมให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างต้องรักษาสีหน้าต้องทำบุญทำทานต้ฝึกส ต, ตินั่งสมาธิต้นต้องมาคิดอยู่บ่อยๆอันนี้ก็จะทําให้เราไม่หลงไม่เหนื่อยพอถึงเวลาจะทําผิดศีลเราจะรู้เฮ้ยเราทำผิดศีลไม่น่าเนะี่รักษาสีหน้างนะ น, นี้เป็นต้นอันนี้ขั้นที่สองเรียกว่าจิตตารวัญญา ปัญญาทีเกิดจากการใข้ควรพิจารณาอยู่นั้นอย่าแต่ขณะนั้นก็ก็ยังไม่มีไม่มีกําลังพอที่จะหยุดกิเลสได้ถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องรักษาสี่ห้านาทีเปรีป้ยวปากขึ้นมาแล้วมีเพื่อนมาช่วนบาทีก็ออกไม่ได้เอาวันนี้ขอยกเว้นทั้งวันนะ่ะนี่ก็เก็นไปได้นี่ถ้าอยากจะรักษาได้อย่างเด็ดขาดนี้ต้องนํานํายกปัญญานี้ขึ้นสู่ระดับที่สามที่เรียกว่าภาวน า, า, น า, า, นามายะปัญญา ภาวนาเมัยปัญญาก็คือให้เอาจิตนี้มาฝึกสมถะภาวนาก่อนมาฝึกสติสมาธิให้เกิดอุเบกขาให้เข้าสู่อันดับชาญให้จิตมีอุเบกขาเมื่อจิตมีอุเบกขาจิตจะมีกำลังที่จะสนับสนุนปัญญาที่เราได้พิจารณาค่ายโคนอยู่ในเนืองเช่นการรักษาสีหน้า ถ้าเราไม่อยู่เบิคขาแล้วทีนี้ใครจะมาชวนให้เราไปทำบางไปดื่มสุราเราก็จะไม่ไปอันนี้เป็นขั้นที่ขั้นที่สามเป็นปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาให้ถึงขั้นที่สามไม่ได้แต่ยามาใช้ประโยชน์คือในการกำจัดกิเลสในการกำจัดความทุกข์ต่างๆ ท, ที่เกิดจากความอยาก คุณเชอรี่ครับขอความเมตตาพระอาจารย์แปลความพุทธปัจญาได้กล่าวถึงความเป็นเหตุปัจจัยในการเกิดของขันห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตและมีภาวะอันเรียกว่าการดำรงอยู่ของสภาวะธรรมทั้งปวงซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความหมดจดแห่งกิเลสได้ครับไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าพูดถึงปัจจัยในการเกิดของขันห้าก็คือขันห้านี้มันมีเหตุ ของมันคือมันมีรูปปัจฐานการเกิของรูปปัจฐานก็จะพาสายมีพ่อมีแม่ที่จะให้ให้กําเนิดรูปปัจฐานให้เกิดร่างกายของเทารกขึ้นมาส่วนขั้นสี่อีกอีกสี่ขั้นคือนามขัม้นนี้มันมีเป็นอยู่ในใจของใจที่แสวงหาหาร่างกายแต่ที่ยังมีการมาตัณหาเพราะว่ตาตัณหาวิพัฒว่ตัณหา คือใจที่ยังเสร็จกลารเศษ ร, รูปสิ่งเกินนิพพุนสะพายใจที่มีความเสศษรูปสิ่งเกินนิพนนี้ก็ยังมีขันศีรที่จะพาให้ไปหาขันอีกรูปประขันที่ปรากฏขึ้นในท่องของบัรดาเมื่อขันศีรมาพบกับรูปประขันก็เลยทําให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นมาแล้วพอรูปประขันคือร่างกายเข้าออกมาขันศีรก็สั่งให้ ขันห้าขันที่ห้าคือรูปประหารนี้ไปทาหน้าที่หารูปเสียงกิรลดพทธพะมาให้กับจิตใจผู้หิวโหวยในการมาลดในเศษต่อไปอันนี้คือการการการดำรงอยู่ของของของสัตว์แต่การหาความสุขจากการมาลดนี้มันเป็นความสุขชั่วครับมันจะทาให เวลามันหมดไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าต้องการให้ใจสะอาดหมดจดจากกิเลสตัณหาก็ต้องเห็นว่าการเสพรูปเสียงกิดร้อนฝนสะานนี้นําไปสู่ความทุกข์เพราะรูปเสียงกิดร้อนนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถครอบครองเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะละกิเลสต่างๆได้ ทำให้ใจของเราสะอาด ห, หมดจุดปราศจากกิเลสต่อไปอันนี้ไม่ทราบจะจะตกกับคำถามที่ถามมาหรือเปล่าแตนะ่อันนี้ก็คือทิศแนวทางของการปฏิบัติคุณวีนาครับกับขออนุญาตเรียนถามอ่าชีวิตและไปเลย <Okay. S 2> ชีวิตเมื่ออยู่ในโลกนี้มันเหมือนยักเยื่อไร้ค่าใช่ไหมคะแต่ชีวิตหลังความตายสําคัญและมี ค, า ม, ค, คามากกว่าใช่ไหมคะขอฟ้าอาจารย์เมตตาคะ่ะอันนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนที่ิของเราธรรมดาบางคนก็คิดว่าชีวิตนี้น่าหน้าเปื่อบางคว่าชีวิตนี้น่าอยู่นะแล้วแต่ว่าได้ประสบกับเหตุการณ์อะไรถ้าได้ประสบกับเหตุการณ์ที่มีความสุข ยืนความสมหวังมันก็ได้อยู่ถ้าไปอยู่เหตุการณ์ที่มันไม่สมหวังมันก็น่าอย่แล้วก็เลยคิดว่าชีวิตหลังความตายอาจะดีกว่าไปอยู่ชีวิตนี้มันไม่มี ม, มีแต่ความทุกข์มีแต่ครับเศ้าใจอยู่ไปทําไมก็ฆ่าตัวตายคือตายไปแล้วเราจะได้ไปพบกับชีวิตใหที่ดีกว่าก็ได้นี่ก็เป็นความรู้สึกนั้นคิดเท่านั้นเองซึ่งไม่ตรงกับหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงก็คือ ชีวิตที่หลังที่เราตายแล้วนี้มันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยว่าเราทําบุญมากกว่า บ, บาสมั้นทําบาสมากกว่บบาบุญถ้าเราทําบุญมากกว่า บ, บา unte, ชีวิตหลังที่เราตายกันแล้วมันจะดีกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าเราทําบาสมากกว่บบาบุญชีวิตของเร า, าก็จะเลวกว่าแย่กว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าบุญกับบาปเท่ากันชีวิตของเราข้างหน้ามันก็จะเท่ากันเหมือนเดิม ไม่กําไรไม่ขาดทุนขอให้เราวัดที่บุญและบาปซึ่งเราก็วัดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราทําบุญมากามากน้อยเพงไรทําบาปมามากน้อยเพียงไรก็อาจจะวัดได้จากความรู้สึกของเราในแต่ละวันถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเราบ้างจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็แสดงว่าบาปนี้ที่เราทํานี่มีมากกว่าบว่าบุญที่เราได้ทํา ถ้าเราสึกว่ามัน50 50สุขทุกข์มัน50 50ก็สแสดงว่าบาปบุญของเรามีเท่าๆกันนะพระอาจารย์ครับการที่มีเรามีความสึกว่าเรามีความสุขในชีวิตมากๆเนี่ยมันก็เป็นความสุกที่ที่ถูกต้องไหมครับอาจารย์เพราะว่าบางทีบางคนเขาก็บอกว่ามีแต่ความสุขมันไม่เห็นความทุกข์มันก็เลยเข้าถึงศาสนาได้ยากก็มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์คือคนเราก็มีสุขมีทุกข์เหมือนกันะ เป็นแต่ว่ามากน้อยต่างกันถ้าขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราได้ทํามาในอดีส่วนหนึ่งและบุญบาปที่เราทําในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งมันก็แสงกันถ้าแสงให้เรามีบุญมากกว่าบาปชีวิเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าบามีความเมตตามากกว่าทุกข์แต่ถ้าเราทําบาปหรือเราทําบุญน้อยกว่าเราทําบาปเรามีความมีความทุกข์มากกว่าบาปมีความทุกข์มากกว่าสุอันนี้ก็อาจจะ มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าต้องมีความทุกข์ถึงจะเข้าหาศาสนาเสมอไปครับางคนนี้มันไม่ได้เป็นเหตุอย่างเดียวที่ทําให้เข้าหาศาสนานการที่เข้าหาศาสนานี่มันมีหลายเหตุด้วยกันมันที่อยู่ที่การที่เราได้พ บ, บ, บ, บ, บ, บปากกับรับปากได้พบกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดศรัทธาที่จะเข้าหาศาสนาก็ได้ครับอมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมันจะต้องเป็นมีความทุกข์เพียงอย่าง คือบางคนมีความสุขมากกับความทุกข์แต่เขาก็มองเห็นความทุกข์ในขันในในในร่างกายเพราะถึงงั้นเขาจะร่ำรวยก็มีความสุขทําอะไรต่างๆได้แต่เขาก็รู้ว่าร่างกายเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็เห็นความทุกข์ที่ยังไม่เกิดได้เหมอนกนและอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาอยากจะเข้าหาศาสานาก็ได้เพระเาะท่านก็เขารู้ว่าศาสนานี้มีคามําตอบให้กับรับในเรื่องของการดับความทุกข์ต่างๆ งั้นก็อย่าไปเบอกว่าทุกคนจะต้องทุกข์กันถึงจะเข้าหาาสนาคนที่มีความสุข ม, มากๆอย่างคอภัยอย่างอย่างในหลวงรัชการที่ก้าท่านก็มีความสุข ม, มากแต่ท่านเข้าหาพุทธศาสนาเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นทุกข์ในในในความไม่เท่งแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งหลายท่านก็เข้าหาศาสนาท่านก็บวชท่านก็มีสมเด็จพระสัมาสัมทาองค์ี่องต่ อ, อ, อเป็นพระอาจารย์ คร่ายศึกษาปฏิบัติมากอยาต่อเนื่องตลอดเวลาเราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะทําเป็นเจอบคนทุกยากจนท้าถึงจะเข้าหาศาสนาคนนั่งรวยก็เข้าหาศาสนาได้เป็นสถาบันพุทธการมีคนทุกระดับชั้นก็าหาพระพุทธเจ้าก็หาพระพุทธศาสนามาเสด็จีิ่งก็มีพระเจ้าเป็นดินก็มีขอทานก็มีอันธีษถ<อ>ามเพราะว่า ผมผมกลัวตัวเองนะครับอาจารย์เพราะว่าความรู้สึกของผมผมก็คือผมมีความสุขค่อนข้างมากนะครับอาจารย์เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเราเป็นความสุขมากอย่างนี้นี่เราเราเข้าใจผิดหรือเปล่าทีบจริงๆเราต้องมองเห็นชีวิตเป็นความทุกข์หรือเปล่าอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าเรามองไปเห็นเนาะเราก็จะถูกความมันมันมันมันมันหลอกเราแล้วเราติดอยู่กับความสุขแต่ถ้าสมันพิจารณาทำด้วยเจ้าสอนว่าเราเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไปเลื่อย มันก็จะเตือนสติให้เราเรื่องว่าชีวิตของเรานี่มันมีทุกข์รอเรอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นสบายใจแล้วครับอาจารย์ครับคุณศิวพรครับเรียนถามอาจารย์ทําไมใจของเราชอบหาเรื่องทุกข์มาคิดคะแล้วมีวิธีแก้อย่างไรคะเพราะกิเลสไงกิเลสธรรมดาเราไม่กิเลสมากเราอยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่ความอยากนีนะ่มันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา วิธีแก้ก็คือนากิเลสโดยการปฏิบัติทานศีลภาวนาะคุณน้องหลินครับสอบถามเจ้าค่ะครั้งที่แล้วหนูเจอกิเลสหลอกทำให้นั่งสมาธิไม่นานวันนี้นั่งได้นานค่ะแต่จิตบอกว่าถ้าบอกจะทำความสะอาดบ้านกลุณามาทำความสะอาดบ้านเลยนั่งได้ชั่วโมงกว่าเองค่ะและต้องลุกมากวาดบ้านถูบ้านหนูยังถูกหลอกไหมคะเลยนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่องเจ้าค่ะ ก็เราต้องกําหนดความจําเป็นว่าเราจะต้องกวาดบ้านถึงว่ากี่ครั้งกี่เวลาแล้วเราจะได้จัดการกับเวลาให้มันเหมาะสมจาเป็นไหมไต้องกวาดบ้านถึงว่าทุกวันบางทีอาทิตย์หนึ่งถูกบ้านครั้งก็ได้มากกว่าบ้านคั้งก็ได้เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติทําได้มากขึ้นแต่ก็ต้องทําบ้านถ้ามันไม่สมบูรณ์ทำไมต้องไปป่าไปถูกบ้นทุกวัน ทำเมื่อทำต้องที่จําเป็นนะถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปทําลเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าได้ประโยชน์มากกคุณกำมลครับผมนั่งสมาธิพอจิตมันจะสงบมันมีอาการสะดุ้งเหมือนตกกระตกกระจายอะไรมาสองสามครั้งแล้วจะแก้อย่างไรครับไม่ต้องแกล่ลกเพราะัญสะดุ้งไปไเราไม่ต้องไปสนใจให้เรามีสติอยู่กับองค์ภาวนาขอเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมของเราไป คุณโมโม่ครับอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะวิธีที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนี้มีแต่ความสับสนวุ่นวายใจค่ะก็มาบวชาลมาบวชแบบน้อย <c oughs> มีมีนิทานเล่า อ, อยู่เรื่องในสมัยพุทธกาลมีเมาสเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชแล้วก็บรรลุเป็นป้าละพอบรรุแล้วท่า น, น, านก็เดินไปไหนมาไหนมักจะอุทานว่าสุขนนองสุขน้อะ นี้พระเองไม่เข้าใจท่านคิดว่าท่านไม่มีสติทาําไม่สํารวมวาจาก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยมาสอบถามว่าเธอทํำไมเธอไม่มีสติสํารวมนี่ไงไม่ใช่อีกหล้วครับ ท, ท่านท่านเศรษฐีอารุณ น, นั่งก็ตอบว่าสมัยที่ผมเป็นมาเศติีนี่ผมไม่แต่เริ่มทุกข์วุ้นวายใจอยู่ทุกวันแต่ผมพอผมมาบวชแล้วผมปฏิบัติมันรลุทํานั้นมันมีแต่ความสุขตลอดเวลาจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะห้าม ใจให้อุทานว่าสุนนอสุนนอไม่ได้นะครับผู้เจ้าบอกอย่างนี้ไม่เป็นไรท่านอย่างนี้อุทานแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ขาดสติคุณชัยพัฒนครับขอถามค่ะจิตวิญญาณเวทนาต่างกันอย่างไรครับจิตนี้คือธาตุรู้หรือตัวธาตุรู้ที่มวีวิญญาณและเวทนาอยู่ในจิตนี้ที่ ในจิตคือ่านรู้นี้มี ม, มีมีนมามขังอยู่สี่มีเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ น, นี่เป็นผู้ทําหน้าที่ให้กับจิตเป็นแขนเป็นแขนเกี่ยวขาให้กับจิตนั่นเองทําหน้าที่ให้ไปรับรูปเสียงกิรลด์คือวิญญาณเมื่อรับมาแล้วก็มีสัญญาความจํำมาวิเคราะห์ว่ารูปเสียงกิรลด์นี้เป็นเป็นใครดีหรือไม่ดีอย่างไรเมื่อเขาเมื่อเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนึกว่าดีไม่ดีก็จะเกิด ความสุขยุทุกเวนาขึ้นมาในใจแล้วมันกระสริเวทนาและทุกเวทนาก็จะเกิดสังขารความคิดว่าเราจะทําไงดีถ้าทุกข์ก็พยายามกําจัดมันหนีมันไปจากนุ่มกำจัดนุ่มเสียงนั้นไปถ้าสุขก็เรียบเรียบไขว่คว้ามารักษาให้มันอยู่กระเราไปานานๆอันนี้ก็หน้าที่ของสังขารคุณวชิรวิทย์ครับ หากไม่อยากจะมีคู่ไม่อยากจะมีลูกแต่ยังอยากเสพกามอยู่แต่ก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรดีครับเราเหมือนพยายามพิจารณาสุภาษิตด้วยพยายามพิจารณาการสามสองของร่างกายไปเต้นกระท่อมชื่อของอางการสารัมสิบสองก่อนภาษาคือผมรวมมาคือของงนอขอเาอาภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้หรือภาษาบาลีอย่างเดียวก็ได้สามสิบสองก็ดูภาพของของอาการสานที่สอง ผมมีลักษณะอย่างไรขอมมีลักษณะอย่างไรบฟันหลังมีลักษณะอย่างไรกระดูกมีลักษณะอย่างไรดูไปให้มันทั่วถึงก็อปปะกา ร, สร์ส12แล้วนําออกม า, มาคิดอยู่เรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจจนเห็นภาพชัดเจนเวลาเราเห็นร่างกายของคนที่เราอยากจะเสียการด้วยก็ให้ดูเห็นนะอาการ12ต่างๆ ก, ก, ก, กผพ่ขึ้นมาพร้อมๆกันมันก็จะทําให้ความอยากเสียการนี่มันหายไปได้ มันต้องพิจารสุภาหให้ได้คุณบุญปุยบุญุญปยนะครับการนัสั ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราเจอพระฟังเทศไปสถานที่ต่างๆแล้วเราร้องไห้เป็นอาการปิติอย่างเดียวไหม้คะหรือมีอย่างอื่นร่วมด้วยพระบางท่านไม่เคยเจอกันเลยคะ่ะก็เป็นอาการของเราถ้าเรามีความ ร, รู้สึกน้อยง่ายแต่มีควาศศมสุขก็เรียกว่าเป็นเป็นปิติ <c oughs> คุณดัญญาครับการนักมรสการเรียนถามค่ะว่าถ้าเราตายตอนใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยเราจะตายดีได้ไหมคะมันไม่เกี่ยวกันหรอกตายดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจจิตใจถ้าฝึกมาดีมันก็จะตายดีฝึกใจที่ไม่ได้ฝึกมาดีมันก็จะตายไม่ดีในตอนนี้เรามีโอกาสที่จะฝึกจิตใจใี้ฝึกให้จิตใจดีคือให้จิตใจสงบนั่นเองโดยการปฏิบัติทานศีลภาวนา ถ้าต่อไปจิตใจของเราจะดีชิตใจเราจะสงบเวลาตายเราเวลาตายอย่างสงบคุณสตรองเดซครับทุกที่เกิดจากผู้อื่นกระทำให้เราเสียใจถูกเขาเอาเปรียบและไม่ได้รับความยุติธรรมทำให้เราน้อยใจเสียใจทำให้บางครั้งมีการฝันว่าถูกคนอื่นทำร้ายในฝันเหมือนจะถูกเขาไล่ตามเราต้องคอยวิ่งหนีตลอดเช่นนี้เราควรจะทาใจหรือวางใจอย่างไรดี เพื่อให้เราไม่ต้องฝันร้ายแนละสามารถใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างสุขใจเพราะเราก็พยายามทำใจให้อภัยให้เขาอยู่แล้วแต่ก็มีบางครั้งที่ยังอดคิดไม่ได้ค่ะเราควรทําอย่างไรดีคะเพื่อให้มีความสุขก็เราพยายามเจรินเมตตาให้ลงมา่ายเมตตาให้กับทุกๆคนถือว่าทุกคนเป็ น, นเมตเพื่อนเราอย่าไปถือว่าเขาเป็นสัตว์ตัวนึงเป็นโู่แข่กขครกันเรา แล้วก็ให้ความสุขของเขาถ้าเราแบกไปความสุขได้ก็ให้เขาไปถ้าเขาทาให้เราโกรธเราก็ให้อาภัยเขาอยา่าจอะไม่จอะกลับขึ้นอย่าไปทำลายนั้นการนันจิตใจของเขาอย่าไปเบปียนเปลียนกันถ้าเราทําอย่างนี้ได้ต่อไปเราจะมีความสุข <c oughs> ตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันรายนี่เป็นอันิสงสมของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี้ไม่ได้ แผด้วยการสวดตามพังอันนั้นเป็นการเป็นการสอนใจวิธีแผ่ว่าต้องทำอย่างไรแต่เวลาจะแายจริงๆต้องเจอกันนาเจอใครททนที่จะหน้าบึ้งใส่กันก็ยิ้มให้เขาทักทายรับถามสารทุกข์สุขนิว่าเป็นยังไงสบายดีหรือไม่ไคุณสมพรครับการเดินอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นผู้มีสติ บางทีโยมเดินไม่มีสติจนคนสังเกตเห็นว่าโยมเดินแบบคนไม่มีสติไม่มีสมาธิแปลกมาแปลกมาเขาคนเขารู้กันได้จากการเดินด้วยหรือครับกอบขอคําแนะนําครับแล้วก็เดินแบบใจลอยไงคือเดินเราไม่ได้ดูเท้าที่เราเดินกันเช่นเดินไปเห็นของในตู้ในอะไรเห็นป้ายโฆษณาเดินไปก็อ่านป้ายโฆษณาไปก็เลยว่าเดินแบบไม่มีสติ ถ้มีสตินั้นจะไม่ดูอย่างเดจะดูเท้าอย่างเดียวดูเท้าแล้วดูท่าที่เราเดินอยู่ข้างหน้าอ <c oughs> าจจะแว้ไปดูโน่นเดูนี้บ้างแต่จะเลี่ยงกลับมาที่เทา้าที่ทา่าที่เราเดินทันทีคุณบุตรสินทร์ครับขอสอบถามวิธีกรวดน้ําแบบไหนบ้างคะไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําทางกรวดน้ําคือการขึ้บุนกุศลที่เราได้ทําเช่นเวลาเราใส่บาเซน เราจะาุที่ไท้กับผู้ร้องรับไปแล้วก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานไปได้เลยขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้นะ้ำไม่ต้องให้พระมาสวดให้กับเราคุณรุ่งเรืองศีนครับมีคําแนะนําสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีผัสสะมากระทบทั้งทางร่างกายและใจให้ถูกตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนว่าอยู่เมืองไทยและต่างประเทศก็ให้มีสติแล้วก็ให้ทําใจให้ให้นิ่งเฉยกับภาษาที่เรากระทบพยายามทำใจให้เป็นอุเบกขาอยากไปรักอย่าไปช้ำอย่าไปกลัวอยาว่าไปหลงแค่นั้นเองจะทําใหม้มีอุเบกขาได้ก็ต้องมันฝึกสตินั่นสมาธิบ่อยๆถ้ามีสติมากนั่งสมาธิจิตสงบก็จะมีอุเบกขาในเวลาสัมผัสกั พัจจะต่างๆก็จะเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินนายคุณจริยาครับเมื่อก่อนนั่งสมาธิได้โดยไม่ขยับตัวแต่มาหลังๆเกิดคันตามตัวยุกยิกหมายความว่าอะไรคะหลาว่าสติเราน้อยไปพยายามเพียรสรางสติขึ้นมาใหม่ถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ไปสนใจกับอาการต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้น แต่ถ้าไม่มีสติแล้วอะไรนี้อะไรนี้ทารหน่อยมันก็จะไปสก็จะไปสัมผัสเราทันทีคุณวีนาครับชีวิตคนเราจิตวิญ ญ, ญาณนี้สำคัญมากที่สุดใช่ไหมคะทำอย่างไรให้เราไม่ยึดติดกับกายที่มีความบาปมีวันดับศูนย์ไปพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือใจหรือจิตใจนี่หรือจิตธรรวิญ ญ, ญาณ เพาะความสุขความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดที่จิตใจแล้วก็จิตใจเป็นผู้สัมผัส ร, รับรู้ความสุขความทุกข์ด้วยร่างกายนี้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้สุขทุกข์ของตนเองได้มีจิตใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ทั้งจิตใจสามารทั้งทนสุขทุกข์จากร่างกายและความสุขทุกข์ทำจิตใจนี่เราต้องฝึกสติฝึกปัญญาแล้วเราก็าจะสามารถปล่อยวางกับการยึดติดกับร่างกาย ปล่อยวางกัการกระทำความบาปต่างๆและจะทำให้ให้เรานี้ไม่มีความทุกข์ใจต่อไปคุณปู่เป้ครับผู้รู้กับจิตเป็นสิ่งเดียวกันไหมครับใช่เป็นตัวเดียวกันจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตบาทีเราก็เรียว่าจิตว่าใจด้วยเป็นภาษานี้เราทดแทนใช้แทนกันนะจิตบ้างใจบ้าง แต่บางทีเราก็แบ่งจิตว่าเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้ก็ได้วือภาษามันดึ้นไปดิ้นมาแต่ลึนตัวเดียวกันนะเพราะจิตนี้จิตด้วยใจนี้เป็นธาตุรู้ที่มีความคิดด้วยคิดได้ด้วยคือมีนมามวังคัมีรูปสิ่งมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในธาตุรู้นี้มีความรู้สึกนั้นคิดด้วยคุณอมรครับหลับตานั่งสมาธิจะรู้สึกมด ตอมเต็มแขนพอออกมาไม่มีมดสักตัวหมายความว่าอะไรคะจิตปรุงแต่งไปจิตปรุงแต่งขึ้นไปเพราะสติเราไม่ควบคุมไว้ให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมนั่นเองถ้าเราอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธมันก็ไม่สามารถไปปรุงแต่งอาการต่างๆขึ้นมาหลอก็ได้ <c oughs> คุณทองชัยนะครับน้อมกราบขอคําแนะนํากับผมมีความตั้งใจจะบวชไม่มีกําหนดสึก ผมมีสวนอยู่ผมควรจะขายทิ้งไปเลยหรือควรจะปล่อยเช่าไปก่อนเมื่อนั้นเมื่อมั่นใจว่าบวชได้ตลอดแล้วค่อยมาขายทีหลังครับอันไหนจะเหมาะกว่ากันครับกลับขอคําแนะนําครับเหมือนก็แนละ้วแต่เราถ้าบางทีถ้าเรายังมีสวนอยู่บางทีพอเราไปปฏิบัติแล้วเท้าขึ้นมาเราจะอยากจะกลับไปอยู่สวนกันได้แต่ถ้าเราขายหวนนะ้วมันไม่ได้ที่กลับนะมันก็ต้องรวยไปข้างหน้าอย่างเดียว เหมือนที่พระเจ้าตักสินยกทัพไปตีหลวงจันใช่ไหมทําให้ฐานนี้ทุกม้อข้าวทิ้งเลยไม่ต้องกลับมาเอากินข้าวแล้วทาไปชนะก็ไม่ต้องกินแล้วครั บ, รบยัต้องไปแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่กักอะไรไว้เลยในในหวังไม่มีกัดอะไรไว ท, ทั้งสิทธิ์ทิ้งหมดเลยมองไปข้างหน้าเพียง อ, อย่างเดียวถ้าอยากจะสําเร็จอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าคืออย่าให้มีทางถอย ไม่มีการถอย้าหยุดการเมินตายเท่านั้นจะหยุดต่อสู้กับเมินตายนั้นถ้า ต, ตายยังต่อสู้ได้จะไม่มีวันถอยคุณบุญปุ้ยครับกลาวนักชากา ร, กรพระอาจารย์การที่เรานั่งดูลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างดูไปเรื่อยๆแล้วเกิดอาการเหมือนคนใกล้จะตายแต่ไม่ตายโยมต้องกำหนดลมแบบไหนคะให้รู้เฉยๆไปบางทะีะ เรามันได้เห็นข้าวแล้เห็นข้าวอากาศหายใจมันเบาลงลงลงก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเหมือนขาดใจก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะช่วงนี้มันจะขาดใจไปอาจจะเป็นช่วงที่จิตมันจะปล่อยมันจะเข้าสู่สมาธิพอดีอยากไปเตือนเต้นตกใจให้รู้เฉยๆไมันจะขาดใจก็รู้ไมนขาดใจไปมันไม่ตายไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจก็คุณอนุมาครับ เราจะก้าวผ่านความวิตกกังวลได้อย่างไรครับเราต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาคุณก้าเดินต่อไปครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ในการใช้ชีวิตของคารวาสควรปรับสมดุลระหว่างทางโลกกับทางธรรมอย่างไรคะเพราะต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนต้องทำงานทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากคะ่ะแต่ถ้าทํา ถ้าได้อยู่นิ่งๆเงีเยบๆคนเดียวก็จะรู้สึกว่ามีพลังกลับมาค่ะก็ทำเท่าที่เราทำนั่นก่อนตอนนี้เราทำๆาได้ 5% ก็ทำไปก่อยแล้วเราต่อไปก็เพิ่มเป็น 10% ลมทั้งโลกเหลือ90แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็น20 80 30 70เพิ่มไปลดทั้งดทั้งโลกเพิ่มทั้งทังไปตากตามกำลัง คุณพีโกครับขอเล่นถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งหนึ่งอายุไขของนักปฏิบัติธรรมควรได้หลักธรรมอะไรบ้างครับติดตามะตนชาติต่อไปอายุไขของนักปฏิบัติธรร ม, มไม่ทราบนะครับคิดว่าไม่เกี่ยวอายุขัยเนนักปฏิบัติธรรมควรได้หลักธรรมอะไรบ้างควรได้สติสมาธิปัญญาได้สีนสมาธิปัญญาทํา เมื่อทำไปแล้วต่อไปมันก็จะติดตามไปชาติต่อไปถ้าไม่ไม่ถึงพันธิพาประชาติหน้ามันก็จะปฏิบัติศิ้นสมาธิปัญญาต่อไปทานด้วยทานทานสิ้สติสมาธิปัญญานี่คือธรรมของนักปฏิบัติเที่ควรจะปฏิบัติจนกว่าจะถึงพันิพาลข้อที่สองความไม่รู้เราไม่รู้อะไรครับก็ไม่มีสติไงเวลาเรื่องเวลาหลับเราก็จะไม่รู้อะไรเรื่องเวลามาวเราก็จะไม่รู้อะไร คือการขาดสติ น, นั่นเองบาที่เราเดินไปแล้วเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเราไม่รู้ว่าเรา เ, รเดินไปชนสิ่งนั้นเพราะาเราเผลอสติใจเราไม่ได้อยู่การเดินใจเราไปอยู่ที่อื่น ผ, ผมว่าเขาตั้งใจถามว่ า, าอะวิชาแนนเลยครับ อ, อาจารย์อวิชาคืออวิชาเราเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้ว่าเรียกสัตว์สิเราไม่รู้ว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราเราไม่รู้วิธีดับความทุกข์ ตำดับด้วยการปฏิบัติสินสมาธิปัญญาคุณพ ร, รัดครับการรัศการพระอาจารย์ผมอยากถามว่าชีวิตของคนที่ทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังลาภผลมากเกินกว่าความจําเป็นทําให้ชีวิตของคนพบกับความสุขได้อย่างไรครับลองทําดูสิคนที่เขาทำแล้วมีความสุขนีะยา่าแต่ในขาที่ถ้าไม่เคยทํามันจะไม่รู้ เวล า, เาได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีความสุขใจหยิบใจขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเวลาเขาทุกข์ยากลาบากเป็นยังไงพอเขาได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากลำบากนั่นเขามีความสุขนี้เราจะเริ่มมีความรู้สึกแบบเดียวกับเขาทันทีเขาสุขเราก็จะมีความสุขกลัดขึ้นให้สุขกับเขาสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์กับเขาทุกนั้นก็จะกลับมาหาเรา คุณชัดขนาครับกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพขอคําแนะนําเรื่องการทําบุญครบรอบวันเสียชีวิตของบิดามารดาว่าที่ถูกที่ควรตามหลักพระพุทธศาสนาเราควรทําอย่างไรครับอันนี้แล้วแต่เราเราจะทําครบรอบก็ได้นะถ้าทําถ้าเราจะทำํำเราก็ทําทําบุญตามทานตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรารักษาศีลได้ก็รักษาศีลไปถ้าภาวนาได้เราก็ภาวนา และถือว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่เราจะเอาเอาเวลามาทำทานมารักษาสินมาพอนาก็ได้คุณมีชัยครับการรักษาสินแปดผมรู้สึกว่ามันเป็นการฆ่ากิเลสไปในตัวใช่ไหมครับก็เป็นการตั้งกิเลสมากแบบือเป็นการบอนไซกิเลสยังไม่ถึงการฆ่ามันมันไม่ตายเพียงแต่ว่าเป็นเป็นการตัดกำลังมัน ให้มันพักผ่อนหรือก็ถ้าถ้าเป็นการชกมวยให้มันถูกนกับ น, นับแปดนแต่ไม่ถึงกับ น, นับสิบทำให้มันอ่อน ก, กำลังอ่อนลงมันจะทำให้การภาวนาเพื่อมนกำจัดมันง่ายกว่าที่มันจะถึงสิบแปด คุณมลทาครับนำ้ำระสการหลวงพ่ออยากทราบว่าตั้งแต่หนูมาปฏิบัติธรรมหนูสื่อกับคนที่ตายได้เจ้าค่ะส่วนมากจะเป็นคนที่เขาลำบากเจ้าค่ะส่วนมากจะมาขอส่วนบุญแต่หนูไม่ได้คิดเองนะเจ้าค้ามันมีจริงไหมเจ้าค้าหลวงพ่ออถ้าหนูไม่คิดเองแล้วมันจะเป็นอะไรลนะ่ะเราไม่รู้เหมือนกันนะคือก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงเท่านัเองถ้าท่านหนูช่วยเราได้กุศลบุญให้กับาค้าได้หนวก็ทําำให้ได้ ท่านกขอถ้าก็มาขอส่วนหนึ่งจากคุณวันทนีครับสุนัขที่บ้านแข็งแรงดีอยู่แต่มีเกร็ดเลือดต่ําต้องให้ยาที่มีไซส์เอฟเฟกสูงดิฉันไม่ต้องการให้รักษาเช่นนั้นแต่คิดว่าจะคอยดูแลรักษาไปตามอาการที่อาจจะเกิดขึ้นการตัดสินใจนี้ทําให้รู้สึกทุก์จะเป็นบาปไหมคะก็ไม่ถึงว่าเป็นบาปมันเก็เป็นวิธี เมือกของเราเวิธีหนึ่งของการรักษาซึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นวิธีที่ที่ดีกว่าการใช้ยาก็ได้แต่ความคิดของเรานี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มั่นใจมันว่าจะจ ะ, จะได้ผลดีหรือไม่คุณอบ ป, ป้าครับพระอาจารย์เจ้าค้าลูก เปิดพัดลมตัวใหญ่ไล่ยุงให้สุนัขลมพัดยุงที่จะมากัดสุนัขหล่นตายเยอะมากอย่างนี้ลูกจะบาปไหมคะถ้าทำให้มันตายก็บาปคุณวิทลินครับตั้งใจไว้ไม่ถูกนั่นแหละจะพาไปให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไปขอท่านพระอาจารย์อธิบายขยายความด้วยครับการตั้งใจไม่ถูกก็คือตั้ง ตั้งใจเป็นในทางที่ที่ไม่นำไปสู่การหลุดค้นจากความทุกข์นั่นเองเขาต้องไปเจ้ความทุกข์ต่อไปถ้าตั้งใจจะเป็นนายกในชาติหน้าถ้าตั้งใจแบบนี้มันก็จะพายแลกลับมาวินว่ายตายเกิดถ้าตั้งใจว่าจะเป็นไปภาลังไปเปนพระสัจเจ้าอันนั้นเป็นการตั้งใจใท่กเาจะทาให้เราได้ออกจากพวกจากทุกในภพต่างๆ ต, าง ต, างต่อไป คุณพีโกครับขอถามเพิ่มครับการตัดใจออกจากสิ่งที่ชอบควรทําอย่างไรครับพยายามอยู่ห่ามั น, นถ้าอยู่กล้นก็อดไม่ได้พยายามอยู่หามันถ้าเราติดโบเล่ชอบเสือบวบเล่เราก็ไปอยู่ที่ที่ไม่มีโบเล่เราเสือแล้วต่อไปความอยากเสือโบเล่ก็จะน้อยลงไปหรือหายไปเลยก็ได้คุณสิทธิชัยครับมีวิธีแก้การตื่นสายไหมครับ ก็นอนหัวเข้าเลยคุณซปเปอร์ครับจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตัวเองทำสมาธิมาถูกทิศท า, ทางครับก็จิตเราสงบมากขึ้นตามลำดับคุณวิไลรัตครับ กราบน้ำระส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการทําบุญให้ทานคือตอนนี้ได้ลาออกจากงานมาอยู่บ้านเฉยๆได้ติดตามฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกปายสองทุกวันตอนนี้พยายามเริ่มที่จะทําบุญอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเงินที่ใช้ทําบุญเป็นไรายได้ของสามีที่มอบให้เราเป็นดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆและเราก็แบ่งเงินไปทําบุญบ้างอยากถามพระอาจารย์ว่าบุญนี้จะเป็นของใครคะเพราะเป็นเงินของสามีแต่เราเป็นคนแบ่งเอาไปทําบุญค่ะก็ต้องพูดกับสามีให้เขาทราบก่อน ว่าถ้าเป็นงานของเขาด้วยเป็นของเราด้วยเป็นสมักรร่วมกันก็ต้องมีการรับด้ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมทั้งสองฝ่ายก็จะได้รูรณาโคู่คุณสาชยาครับเมื่อครั้งพุทธการมีการฝึกเทคนิคสมาธิอย่างทุกวันนี้หรือเปล่าคะลูกศึกษาจากธรรมศึกษาเวลาที่พระพุทธองค์ทรงโปรดสาวกให้บรรลุ ธ, ธรรมไม่เห็นมีการสอนให้เจริญสมาธิเลยคะ่ะ ออการที่สอนสาวกนั้นเป็นเพราะว่าเขาเป็สมาธิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนแต่ต่อมาพวกที่ไม่มีสมาธิพระเจ้าก็าสอนสติปฐานสีน่นี้สอนให้ฝึกสติแล้วให้ไปนั่นทําเจริญอานานปนานสติเพื่อให้ก็ได้สมาธิก่อนให้ไปเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์ต่อไปยุคแรกงนี้พระเจ้าสอนพวกที่มีสมาธิกแล้วเช่นพระบัญชาวธีนี่ก็มีสมาธิแล้ว ก็เลยแสดงระดับปัญญาแสดงอริยสัจสี่แสดงต้องเ ข, าเข้าใจเขาก็บรรลุทำได้เลยแต่ต่อมาก็พวกที่มีสมาธินี่บรรลุไปหมดนะพวกที่ไม่มีสมาธิสอนปัญญาอย่างเดียวก็ไม่บรรลุไม่ได้เพราะไม่มีกํำลังที่จะปฏิบัติตามปัญญาที่ได้ถูกสอนมาก็เลยต้องมาสอนให้มาฝึกสติสมาธิในสติปัฏฐานสี่ให้มีสมาธิให้ได้อุเบกขาก่อน เราค่อยไปเจริญปัญญาไปเจริญตายรักในในกายเวทนาและจิตต่อไปพอมีสมาธิแลมีปัญญาเห็นว่ากายเวทนาจิตเป็นตายรักก็ละได้ละกิเลสได้คุณไปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับเพศคารว่าสามารถบรรลุพระอารหันต์ได้ไหมครับได้ทุกเพศทุกวัยหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ถ้าเจริญนักแปดได้อย่างสมบูรณ์ คุณป้อมป๋อมแปมครับรักษาศีล5ศีล8อยู่ที่บ้านต้องสมาทานศีลไหมคะไม่ต้องหรอกการสมาทานนี้เป็นการเป็นการเรียนรู้จัดพระว่าศีล5มีอะไรศีล8มีอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราอยากจะรักษามาื่อไหรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานรักษาได้ไม่ต้องไปสมาทาน คุณวัชรพรครับการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าโยมจะปฏิบัติธรรมที่วัดต้องเตรียมอะไรบ้างคะต้องถามวัดที่เราไปปฏิบัติในบ้างเนี่ยแต่ละวัดก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างน้อยก็ชุดขาวส่วนใหญ่ที่เห็นไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดกันของใช้ส่วนตัวยาส่วนตัวที่เราจำเป็นจะต้องติดตัวไปแล้ววันที่เป็นวัดป่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีไฟฉาย เวลาจะเดินไปบวชไปสาลาที่เดินในค่าคืนต่อเช้ามืนี้ที่บ้านอาจะไม่มีไฟฟ้าทานก็ได้ก็ต้องมีไฟฟ้าไปฉายติดตัวไปนคุณเดอะมอร์นิงสตาร์ครับอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นโดยหลวงพ่อวิทยังเขียนไว้ว่าหลวงปู่มั่นถึง จะเดินทุดงไกลแต่พอถึงที่หมายก็ไม่นั่งสมาธิเลยส่งน้ำเสร็จจะเข้าทางจงกรมก่อนเพราะการนั่งสมาธิเลยโดยไม่เดินจงกรมก่อนอาจจะทำให้ฟุ้งซ่านได้เป็นความจริงโดยทุกรณีใหมคะไม่ไม่ไม่หรอกแต่ฟุ้งซานไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้อยู่ที่เดินเนืมเดินหรไม่เดินอยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติถ้ามีสติอยู่จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านแถ้าไม่มีสติก็จิตก็จะฟุ้งซ่านได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับพระอาจารย์ขอความเมตตากรุณาลูกอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระสงฆ์ที่พาลูกศิษย์กราบไหว้บวงสรวงบูชาอ้ อ, อนวอนเทพพรหมเทวดาแบบนี้มีคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่มีพระสงฆ์รูกนั้นทําผิดวินัยสง์หรือไม่แล้วเราเป็นศิษย์รู้ควรรู้แล้วควรวางตัวแบบไหนดีจึงจะไม่เป็นศิษย์คิดลบล้างครูครับขอบพระคุณครับเออเงนไม่ผิดพระวินัยเห็นแต่ว่ามันผิด ทำธรรมการทำธรรมก็คือพระเจ้าไม่ได้สอนให้ให้ให้บวกสวงไม่ให้ขออะไรจากใครให้ปฏิบัติอัตตาหิอัตโนนาถห้ให้ปฏิบัติทำด้วยตนเองสร้างธรรมขึ้นมาได้ด้วยตนเองตามคำสอนขุงพระเจ้าที่สอนให้ปฏิบัติแล้วในฐานะศิษย์เขาควรจะทำยังไงครับพอาจารย์ครับ เมื่อรู้ว่าเขาพาให้เราหลงทางเราก็ไม่ต้องไปกเขาน่เลยก็อยากทานไปครับคุณเล็กครับขอากลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าอนุโมทนาสาธุกับสาธุอนุโมทนามิใช้แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ทราบเราไม่รู้ภาษาบาลีอยากคิดว่าเหมือนกันนะแล้วแต่ก็ที่ไหนก็ใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปก็แล้วกัน อาจจะมีทางวิยากรที่แตกต่างไปนไกลก็ได้เป็นภาษาบาลีนี่แบบไม่ใช่เป็นภาษาไทยคุณหลวงครับการรัมสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามาเพื่อนร่วมงานบางท่านมีฮีริน้อยมากบอกบ่อยเรื่องเดิมๆก็เบื่อเรามีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างครับก็ต้องปล่อยว่าเมื่อเราบอกเขาแล้วทำเราทําได้ทานี้ทาไปโคตรม า, ากเขาโกรธเรา มันจะเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อบอกแล้วเมื่อเขาไม่ทำตามก็ต้องใช้ อ, อ, เอุเบกขาเราหมดหน้าที่ของเราแล้วมาทำด้ท่านี้ขอ้อคำถามสักคู่นะคะอาจารย์คุณนิยายเจ้าระพีกลาวน้ำสการ์คาปฏิบัติสมาธิแรกๆ ก, ก็ดีอยู่ผ่อนคลายและสงบคิดออกนอกจิตรู้ทันแต่ยิ่งปฏิบัตินานไปจิตเริ่มหนัก เหมือนกำลังบังคับจิตให้อยู่ในกรอบโดยไม่เจตนาและยิ่งพยายามผ่อนคลายก็ยิ่งหนักขึ้นครับต้องกำลังสติของเราน้อยไปนะเราก็ล้องพยายามเขยอนดูลมมองข้าให้ดูลมหรืองข้าให้ใบากาพุโทโธพุโทโธต่อไปดึงสติกลับมาถ้าเรานั่งเฉเๆมันก็สติมันก็จะหมดลง คุณขนุนทรีครับกราบน้ำส ก, การพระอาจารย์ขอคําแนะนําเรื่องการกําหนดความคิดที่ฟุ้งระหว่างนั่งสมาธิค่ะพอกําหนดหยุดคิดเรื่องนั้นมีสมาธิได้เพียงครู่เดียวก็กลับมาคิดเรื่องอื่นเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทําอย่างไรคะ เ, ออเราต้องกําหนดแท่นจิตอยู่กับคําเลยครับพุโทโธพุทโธอย่างนดียวบริกับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะไม่มีโอกาสที่จะฟุง้งตึ้งได้ต้องนํา จ, จิตเข้าสูาส่ความสงบได้ต่อไป แต่คุณอินครับอันนี้ ค, คล้ายๆกันครับแต่เป็นเวลาสวดมนต์ครับจิตชอบฟุ้งคิดเรื่องอื่นอยู่บ่อยๆครับแก้อย่างไรครับก็ดึงจิตให้กลับมาที่บทสวดมนต์องเราหากมันสวดถ้าสวดคนเดียวสวดแล้วมันมันฟุน่งก็สบช้าๆเดียวก็ได้ให้มันบังคับให้มันอยู่กับบทสวดมนต์ให้ได้คุณพีชครับขอบกลับเรียนถามค่ะช่วง50วันแรกหลังจากเสียชีวิต ผู้ตายจะมารอรับบุญจากลูกหลานได้จริงไหมคะไม่แน่นอนดวงวิญญาณของแต่ละเดือนนี่บางคนตายครบไปเลยถ้าเขาแล้วก็มีบุญไปสุขสุขสันติเขาไปเลยอีกพวกที่ไม่มีบุญพวกที่ตรองอาศัยบุญของพวกือนนี้ก็จะมาตามาขอบุญก็ได้แต่เขาต้องมาแบบที่เราส่งสัญญาให้เราเราับรู้เช่นเขเข้าฝันหน่อย หรือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเข้าเข้ามาติดต่อเราผานทามสมาธิได้นีเราถึงจะรู้ว่าเขามาขอส่วนบุญจริง น, นอก่างนั้นนะเราก็เราก็ไม่รู้แบบเราไปตัดทําเผื่อไว้ท่านเองเผื่อเข้ามาเราลาบส่วนบุญเราก็ทำให้กับเขาไปคุณเบนจะมาพรครับรอบข้างเต็ไมไปด้วยคนพูดไม่จนไม่จบ เต็มไปด้วยความต้องการของเขาบางทีเราก็ขุนมัวใช้วิธีหลีกเร้นได้ไหมเจ้าคะถ้าเรายังทําใจไม่ได้แล้วก็เปลกตัวไปก็ได้แต่ทำที่ดีถ้าเราสามารถทําใจให้เนืเฉยใได้ก็ไม่ต้องเปลกตัวไปใช่เวลาเ ถ, ถ้าเราลดสิ่งบนนี้ขุนมัวแล้วก็พยายามเจริญบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจของเราก็ได้อย่าอย่าไปสนใจกับเรื่องของเขา ถารอยู่กับพุทโธไปได้ธรรมญหนึ่งอาการขุ่นวมของเราก็จะหายไปได้คุณโอปอครับกายานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาแตกต่างจากการฝึกสมาธิอย่างไรครับว่ามันเป็นขั้นวิปัสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาจิตพิจารณาเวตนาพิจารณาธรรมว่าเป็นตายอนนี้จากทุกขารับตา จากการฝึกสมาธิว่าการฝึกสมาธิเราไม่ได้พิจารณาเราเพียงแต่ใช้กาย เ, เ, เป็นเป้าหมายของการปลกจิตคอยเฝ้าดูกายทักเยาว์ขอการเคลื่อนไหวของร่างกายคุณอิตาลิกครับกล่าวพระอาจารย์ค่ะฝึกทําสมาธิฟังทำอยู่สันโดษแล้วรู้สึกว่าเราห่างจากสังคมเพื่อนฝูงมากขึ้นออกไปสังสรรค์ลดลงไปมากจนเริ่มรู้สึกว่ากระทบความสัมพันธ์ตามปกติ ส่วนตัวรู้สึกสงบสุขดีแต่มันถูกทางไหมคะถูกทางทางนี้ไปนี่เป็นทางสูง่การไปอยู่คนเดียวต่อไปอยังถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราต้องไม่ยึดติดกับบุคคลต่างๆเราต้องรู้ ว, ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมีการพัดท่าจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราพัดท่าจากเขาเพื่อไปพบกับความสุขที่ดีกว่าแล้วก็ควรจะเย็นดีไม่ควรจะเปเสียใจ คุณบุญเกิดครับเราจะรู้ได้อย่างไรในว่าเวลาภาวนาแล้วจิตสงบครับเวลาจิตฟุ้งซ่านมันไปทำให้ฟุ้งซ่านมันกต่าเวลาจิตคิดมันก็ไม่สงบกพอจิตหยุดคิดมันก็สนุกดูที่ความคิดนะั่นคุณแหม่มครับใส่บาตรเสร็จแล้วจําเป็นต้องกรวดน้ําหรือแผ่เมตตาหรือเปล่าคะไม่จําเป็นนะเราทําบุญทําทำบุญเพื่อ เพื่อเราคนเดียวไม่ทํำบุญเพื่อที่แทนคนอย่างนี้ไม่ต้องกดนะส่วนเมตตานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการใส่บาตรเสร็จแล้วหรือไม่การแผเมตตาเมตตานี่จําเป็นตลอดเวลาเวลาเราเจอใครเราควจะมีความเมตตาต่อทุกบุคคลที่เราพบปะด้วยคุณมูลไลท์ครับร ก, ษษาการาบธรรมศาสตรพระอาจารย์ค่ะมีคําถามเรื่องการใช้เมตตานําอุเบกขาค่ะว่าต้องทําอย่างไรคะ อ๋อคือปกตินี่เวลาเราพบปะกับคนนี่เราต้องใช้เมตตาหรือการอดหรือมุนีตาแล้วแต่กรณีเช่นถ้าพบปะกันเราก็ให้สแสดงแล้วก็ทักทายกันยิ้มให้กันกนี่ก็เรียกว่าการให้เมตตาถ้าเจอคนที่เขาทุกข์ยากเหนื่อยนอนแล้วก็ช่วยเหลือเขาถ้าเจอใครที่เขาได้ไ ด, ได้เด็ดได้ดีล้วก็สแสดงความยดีแล้ถ้าเรา เจอในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ผ่านมตตาให้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้แสดงความดีให้เขาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกเะลับเไปคุณ The Morning Star ครับการเจริญสติเวลาฟังอาจารย์เลคเชอร์ในห้องเรียนกับการเจริญสติเวลาฟังธรรมต่างกันไหมคะเวลาฟังธรรมควรจะตั้งสติไว้ให้รู้แค่เสียงที่ได้โดยไม่ต้องคิดถาม โดยไม่ต้องคิดตามซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจจะดีกว่าพยายามทำความเข้าใจคิดจินตนาการตามไปไหมคะในที่นี้คือถ้ายังคิดว่าตัวเองไม่มีความเข้าใจเรื่องวิธีการภาวนาที่ถูกต้องนะคะถ้าคิดตามได้กว่าจะคิดตามจะดีกว่าเพราคิดตามได้นั้นจะได้ประโยชน์สองต่อคือจะได้ได้ปัญญาลดความเข้าเข้าใจแล้วก็จะได้ความสงบด้วย แต่ถ้าเราคิดพิจารณาไม่เปี่ยนเราก็ใช้ความต่เสียงอย่างเดียวเราก็จะได้ส่วนเดียวคือได้ความสงบวิจใจเราไม่เป็นคิดเรื่องราวต่างๆวัจัยเราก็ถึงอยู่กับเสียงธรรที่เราทำแต่ไม่ได้ปัญญาเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ต่างอาจารย์คําถามสุดท้ายครับคุณอนัญญาครับกล่าวนมัส ก, การพระอาจารย์ทุกครั้งที่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและหาโอกาสไปปฏิบัติที่วัดป่า คนที่คอยก่อกวนทำให้ทะเลาะจนคิดว่าศีลไม่เสมอกันจะทำอย่างไรคะที่จะไปจากทุกนี้ได้คะคือ เ, เราต้องมีความแน่แน่แนแตามตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วถึงเวลาแล้วก็ไปเลยไม่ต้องไปขังวอนกับเรื่องของคนอื่นเขาอยากปล่อ้คนอื่นเข้ามาทำให้เราล่มเหลวในการในความตั้งใจของเราได้เมื่อเราตั้งใจแล้วเราถึงเวลาเราก็ไปเ จะมีเรื่องมีราวกับใครก็ใครจะมากรอกเวยก็ไม่ต้องไปไปสนใจมันต้องมีความแน่วแน่มั่นคงต่อความตั้งใจของเราเด็ดเดียวต้องเด็ดขาดถ้าเรอโลเลมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนก็จะมีข้ออ้างต่างๆทําให้เราล้มเหลวไม่สามารถกระทําในสิ่งที่เราต้องการกระทาได้ไดอาจารย์ขอแถมอีกข้อนะครับเรื่องอาโหสิกรรมครับ สอบถามถ้าเราเอโหาสิกรรมให้อีกฝ่ายไปแล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่ได้อโหาสิกรรมให้เราในชาติต่อไปเรายังต้องพบเจอกันเพื่อชดใช้กันต่อไปอีกหรือเปล่าคะทางๆ ท, ที่เราได้อโหาสิกรรมให้เขาไปแล้วคะ่ะการอโหสิกรรมของเรานี่ทําให้เราสงบใจเราไม่ทุกข์กับเขาแนละ้วเมื่อเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาแต่ถ้าเขาไม่ให้ไม่อโหาสิกรรมเราเขาก็ยังโกรธยังเกลียดเราอยู่ ถ, ถ้าเขาเกิดมาเจอเราที่ไหนแห็นไดเมื่อไหอร่เขาก็จะโกรธเกลียดเราทุกครั้งไป จสดจะเจอหรือไม่เจอนี่ไม่แน่นอนการจะไปเจออะไรข้างหน้านี้อาจจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้าง ก, ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเจอเพราะความความอาฆ า, าพยาบาลนี้แต่ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาาความพระอาฆาพยาบาลของเขาขึ้นมาทันทีครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมอยู่ด้วยกันใน f a c e b o o เจ็ดร้อยสี่คนใน y o u ู u เจ็ด้อยสิบสองคนในคับเฮาสิบเจ็ดคนนะครับ มีคนฟังทำด้วยกันตอนนี้หนึ่งพันสี่้อยสามสิบสาคนนะครับอาจารย์ก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามารอมประเทศทำกันังว่าคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะที่ได้นำออกไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปการแสดงธรรมหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแค่เวลาก็ขอให้ท่านจงกนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไป เธอสาธุก็ขอลาคุณหมอนะ้ะท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ไปยเพลงเท่านี้้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกะะติก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์นหน้าเ ช, ช่นเดิมครับขอเชิญกลับ ข, <อ> ข, ขอบคุณพระอาจารย์ครับ